พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพรโรที่เคารพอย่างสูงในการอบรมวิปัสสนากร ร, กรรมฐานหลักสูตรก้าย่างสู่ธรรมครั้งนี้ระหว่างวันที่8ถึง11กรกฎาคมพุทธศักราช2554มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น38คน เป็นชาย15คนหญิง25คนขอกาอราบอาราธนาได้โปรดรับเครื่องสก ara จากผู้แทนปฏิบัติธรรมจากคณะของการไฟฟ้าขอให้ท่านและขอให้ท่านได้กล่าวสามมูทิยกถาเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมในการอบรมครั้งนี้ด้วยเถิดกราบเรียนผู้แทนค่ะเปิดกลวยถวายเครื่องสก a r ค่ะ ทุกท่านน้อมใจนะคะถวายทุกเทศทุกท่านกราบท่านอาจารย์ะคะ่ะกราบกราบกราบ ขอเชิญผู้แทนเข้าที่ค่ะเพียอกล่าวคำอาราธนาสินแปดข้างหน้าตรงนี้นก็ได้ค่ะค่ะกล่าวคำอาราธนาสินแปดพร้อมกันนะคะมะยังพันเตติสารณนนัสหะอาธาศีลานิยาจามะ ทุติยมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหาอาถาศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตติสารณนนะสหาอาถาศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะพระค w o r t h อารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระค w o r t h อารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังขะฉามิธรรมังสารนังขะฉามิสังขังสารนังขะฉามิ ทูติยามติพุทธังสารนังขเชามิทุติยามปิธรรมังสารนังขเชามิทุติยามปิสังขังสารนังขเชามิตาติยามปิพุทธังสารนังขเชามิตาติยามปิธรรมังสรนังขเชามิตาติยามปิสังขังสรนังขเชามิ ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าสัตว์อาทนาธานาเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยามิเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ อาัามจจาริยาเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยามิเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการจะทำอันมิใช่ภูมิจันมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทางสมาธิยามิเจตนาเป็นเครื่องเว้นแก่การพูดไม่จริง สุราเมระยามปประมชปปามาถฐานาเวราเมณีสิกขาพทังสมาธิยามิเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความมักงาั่วิการโภชนาเวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิ เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนาจากีตาวาทิตวิสุกทัศนะมาราคันทาวิเรปนะทารณามนดนะวิภูสนัานาเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามิ เจตนาเป็นเครื่องจำจากคารฟ้อนลัการขับร้องการดนตรีการพูการเล่นที่เป็นค่าสื่อต่ออาสนการทัดทรงสวมใสการประดับการตกแต่งด้วยพวงมาลาด้วยกลิ่นหอมด้วยเครื่องทาอูจาศยนะมาหศายนา เวรมณีสิกขาประทันสมาธียามิเจตนาเป็นเครื่องเงื้นจากกานอนนอนบนที่ที่สูงและที่นอนเงิอิมานิอัตสิกขาประธานิสมาธียามิอิมานิอัตสิกขาประธานิสมาธิยามิอิมานิอัตสิกขาประธานิสมาธิยามิ อิมานิอาทะสิกาพทธามิสมาธิยามิอิมาหังพันเตพระขวาอาตภ า, าวังตุมหากลงปาลิจาชามิข้าแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ขอน้อมกายถวายอาตภ า, าร่างกายนี้ แด่องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเจริญสมถวิปัสนาอิมาหังพันเตอาจาริยะอัตถาวังตุมหากลางปาริจอาชามิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อท่านพระอาจารย์เพื่อจเจริญสมถาวิปัสนานิพานาสัตนะมีพันเตสาชิกาณัฐายะกามฐานังเทหิ ข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญโปรดให้อริยศาสีแก่ข้าพาเจ้าเพื่อจะกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอูกาสะอูกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพาเจ้าขอสมาทานซึ่งปะปะพืชปฏิบัติเพื่อปฐมฌานทุติยฌาน ตาติยชาญจัตุาชาญวิปาาัสนาญาณและความรู้ในอริยสัจสี่โจงวางเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าแล้วตั้งสติไว้ที่กายเวทนาจิตและธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลที่ผ่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอกราบพระอาจารย์ค่ะกราบกราบกราบกราบนิมนตท่านอาจารย์นมตตา เชลยพรย่านเยิงทุกคนนะก็ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะกับพวกเราที่นี่ในช่วงวันต่อไปนีนะ้เราจะมาศึกษาและปฏิบัติตามพุทธวจนะ คือคำที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงศึกษาคำของท่านว่าท่านสอนอะไรพระเจ้าตรัสลุออะไรสอนอะไรบ้างในช่วงชีวิตของท่านเราจะได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องแล้วเราก็จะเดินตามในสิ่งที่พระองค์ บอกสอนที่เรียกว่าปฏิบุจชาวินิตาปริสาโนโอุกาจิตวินิตาก็คือถกกันนะในคำของพระาศาสดาของเราลนะวงบอกเราจะเป็นบริษัทที่เลิศน้ำหนักในการศึกษาและปฏิบัติ ก็ใช้หลักการของพระศัสดาเหมือนกันพระตถาคตบอกว่าอย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนวันทั้งวันเนี่ยจะต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิพระศัสดาสอนให้ภิกษุเนี่ยเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิตั้งแต่หลังฉันไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรี คือประมาณสี่ทุ่มแบ่งราตรีเป็นสามยามนะยามแรกประมาณสี่ทุ่มยามที่สองให้นอนยามที่สามไม่ตื่นนะสี่ทุ่มนอนตีสองตื่นตื่นแล้วก็เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาโจททั้งเชา้ชาเช้าออกบินดาบาดขบฉันทำขิดข้อวัดล้างบาทเช็ดบาทเขาาท้าน้ำมั่งท่าอายเสร็จก็ จะเหลือเวลาศึกษาแค่อย่างน้อยสักสองสามชั่วโมงที่เหลือก็จะเป็นเวลาเดินสลับนั่งไปเรื่อย เ, รอยเพราะฉะนั้นในช่วงสี่วันนี้เราก็มาฝึกเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ศึกษาเรียนรู้พุทธวจนะนะสักถามปัญหา สังสมสุตตะได้ยินได้ฟังคำสอนตอนหนึ่งวันประมาณสองถึงสามชั่วโมงโบกลบนิดหน่อยที่เหลือก็เดินจงกรมนั่งสมาธิช่วงการใช้อิริบบททั่วไปการขบฉันการนอนก็ใช้หลักการพระศาสดาทั้งหมด การเดินเหินกลับไปกุฏิที่พักนะก็ให้รู้ตามการเคลื่อนไหวรีบทพนะระศาสดาบอกว่าการก้าวไปถอยกลับเหลียวดูแลดูคู่แขนเหยียดแขนการหยิบปาจีวรสังคติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะให้มีความรู้ตัวทั้งหมด เราทานอาหารก็ทานอยู่ในกรอบของพระศาสดาหเหมือนกันคือโพชเนมัตตัญยุตาทานแต่พอดีนะพระศาสดาสอนให้เราทานพอดีพอดียังไงพระองค์บอกว่าให้เธอเนี่ยเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพล่องอยู่เล็กน้อยนะอย่าใส่อาหารจนเต็มนะเหลือท้องว่างๆไว้นิดหนึ่งนี่เรียกว่า ทานพอดีโพชเนมตันยุตาปาราลบความเพียรเต็มที่นอนพอดีกินพอดีมีสติสัมปชัญญะสังสมสุตตนะมีข้อสงสัยสักถามพระศาสดาบอกอ น, นิสงส์ในการสักถามบอกว่าจะเป็นผู้มีปัญญามาก เป็นผู้มีผิวพรรณงามผิวละเอียดสีผิวดุจทองเมื่อไปพบภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะให้เธอเข้าไปซักไซ้ไล่เลียงสอบถามทูลถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ใดด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ย่อมบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยให้คลายลงไปได้เมื่อมีโอกาสให้ซักถาม สักถามเข้าใจแล้วให้หลีกไปอยู่ผู้เดียวให้วิเวกหลีกเล้นหรือหลีกเล้นทางจิตก็คือตั้งจิตอยู่กับกายสำรวมอินทรีย์รู้ ล, ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกแค่นี้นั้นสามสี่วันนี้เรามาทำอย่างนี้กันมาปราลบความเพียรศึกษาคำสอนของพระศาสดาโดยตรง ระหว่างการนั่งสมาธิเดินจงกรมจะให้ฟังพระสูตรจะให้ฟังพุทธวจนะนะอาจจะต้นชั่วโมงนะสองสามบทนะท้ายชั่วโมงสองสามบทนะหรือกลางกลางชั่วโมงสักนิดหนึ่งนะหรือบางช่วงอาจจะมีเฉพาะหัวกับท้ายนะเพื่อให้เราได้ยินได้ฟัง พุทธวจนะสั่งสมมักวิธีที่ศาสดาได้บอกสอนเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาจะให้เราได้ดูด v วดีนการบรรยายธรรมของนธรมาซึ่งจะคัดมาเฉพาะด v วดีที่เนื้อหาค่อนข้างครอบคลุม การบรรยายบางทีก็ไม่ได้ดีทุกครั้งไปนะอยู่ที่หนึ่งผู้ถามมีผู้ซักถามได้แยบคายแล้วก็ครอบคลุมไหมผู้ตอบตอบได้ครอบคลุมเนื้อหามากมายครบถ้วนไหม DVD ที่นำมาให้ดูจะเป็น DVD ที่ในคราวนั้นเนี่ย ถามก็ดีนะตอบก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะนั้นให้ตามาพูดหน้าวันนี้อาจจะครอบคุมไม่หมดยมดูวีดีเป็นพื้นฐานไปก่อนปั๊บเนี่ยจากนั้นตกหล่นอะไรปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งในตอนเย็นาตามาจะมาพบกับพวกเราอีกทีช่วงหัวค่ำนะแล้วก็เปิดโอกาสให้ซักถาม สงสัยอะไรในระหว่างการดูดีวีดีนั้นเพราะนั้นเวลาดูดีวดีตั้งใจดูให้ดีเก็บรายละเอียดให้หมดให้ได้นะ <c oughs> จะมีดีวดีปูพื้นฐานนะว่าพุทธวจนะคืออะไรนะมีใครที่พอเคยได้ยินได้ฟังการบรรยายอัตมามาแล้วบ้างเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ไม่ถึงครึ่งเนาะไม่ถึงครึ่ง ก็ Så, คงจะเริ่มปูพื้นฐานให้รู้จักพุทธวจนะให้ทราบหลักฐานที่มาที่ไปของคำสอนพระศาสดาว่ามาไปยังไงมีหลักฐานที่มาที่ไปยังไงสิ่งที่เคยรู้มาอาจจะถูกบ้างผิดบ้างนีน่อาจจะไม่ถูกทั้งหมดไม่ผิดทั้งหมดนะ ไอ้ที่เคยว่ารู้แล้วว่าถูกแน่ๆอาจจะไม่ถูกก็ได้และจะเอาหลักฐานจากไหนที่ว่าถูกแน่ๆ แ, และตรวจสอบอย่างไรเราจะอธิบายให้หมดเนะี่ยโยมจะได้มาตรฐานวิธีในการตรวจสอบทางพุทธศาสนาตกลงแล้วศาสนาพุทธเนี่ยฟังใครอะไรคือมาตรฐานนะพิธีกรรมต่างๆที่มีในทุกวันนี้เนี่ย ถูกหรือไม่ถูกอย่างไรนะพอรู้พุทธวจนะเนี่ยมันจะจบเลยทุกอย่างมันจะเข้าใจเคลียร์ทุกเรื่องนะและรู้แล้วว่ามาตรฐานคือคำที่ออกจากปากศาสดาโอยตรงนะไม่ต้องเกรงใจใครทั้งนั้นเกรงใจพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์เดียวเราบวชมาปฏิบัติมาอุทิศ ต, ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะพระทุกองค์เนี่ยพรนะเจ้าบอก เธอบวชมาเนี่ยถ้าเขาถามว่าเธอคือใครเธอจะตอบเขาว่ายัางไงผู้เจ้าให้ตอบว่าเราคือสมณะสากยะปุตติยะบุตรของสมณะในสากยะตระกูลเราทั้งหลายเนี่ยบวชเพราะชอบใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าอุทิศ ต, ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระทุกองค์ต้องรู้อย่างนี้นอาจารย์ของเราคือ พระสมณโคดมเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนะคนเดียวแล้วคำสอนจะเหมือนกันทั่วโลกทั่วประเทศนั่นนะวันนี้ที่มันแตกสายแตกนิกายออกไปสอนคนละอย่างสองอย่างเพราะไม่ได้สอนตามพุทธวจนะปัญหามันคือเท่านี้เองง่ายๆนะ <c oughs> นั้นเดี๋ยวจะให้โยมดู ดีวีดีหลักฐานที่มาที่ไปอะไรต่ออทั้งหมดวิธีในการตรวจสอบยิ่งนะวันนี้เราก็ทำข้อมูลหลักฐานเนี่ยเอาเข้ามาในคอมพิวเตอร์หมดแล้วอย่างเล่มนี้ที่เอามาให้ดูเป็นหลักฐานตั้งแต่ปี2468ีนะคือบาลีสามรัฐนะแต่นี่เป็นการพริมพ์ครั้งที่สองจริงๆการพริมพ์ครั้งแรกก็คือสมัยรัชกาลที่5 2.4.3. อ นั้นอันนี้ก็เป็นตัวจริงนะที่เป็นการพิมพ์ครั้งที่2ต่อจากครั้งแรกนะนั้นพระไตรปิฎกทั้งหมดในประเทศไทยณเวลานี้เอามาจากตัวออริจินอลคือตัวนี้นะให้ยมรู้หลักฐานที่มาที่ไปก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นาบาลีอักษรสยามนะที่เราเรียกว่าเป็นภาษาบาลีนะเพราะราชการที่ให้แปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามก่อน แล้วถึงมาลงทําเป็นภาษาไทยทีหนึ่งแล้วนะวันนี้ทุกวันนี้เราบรรจุข้อมูลทั้งหมดลงในซีดีแผ่นนี้หมดแล้วสามารถสแกนตรวจหาได้โยไม่ต้องไปคอยเปิดทีละหน้านะสงสัยคำไหนเนี่ยกดไปปับ๊บมันจะบอกอยู่หน้านี้เล่มนี้บรรทัดนี้นะคำนี้เจอกี่พสูตรหรือคำนี้ไม่เจออย่างเงี้ยง่ายและอาตมาก็ให้อ่า พระที่มาบวชชั่วคราวที่วัดเนี่ยซึ่งจบเอกด้านแกนการเขียนโปรแกรมเนี่ยทำเข้าไปใน iPhone, i p อ d iPad ระบบของ Apple ทั้งหมดแล้วก็ของ Android ทั้งหมดมือถือทุกคนใครใช้ระบบของ Android ของ Apple ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาได้คืออ e ีเิเตกะนะโ ย, โยมคีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปก็สามารถที่จะได้แอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมา ตัวนี้อีเตปิตะกะนะกดมาปุ๊บนี่ก็จะเจอพระตะบิดกขึ้นมานะยมสามารถเทียบเคียงภาษาได้นะบาลีไทยขึ้นคู่กันเลยนะสามารถเลื่อนอ่านได้นะนั้นตอนนี้เราตรวจสอบข้อมูลได้ในเวลาวินาทีเดียว และทุกคนมีข้อมูลเท่ากันหมดทั่วประเทศทั่วโลกด้วยนะนะเป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดตั้งแต่เสาหินณโศกนะพ่อรอห้าเอามาจากรอหนึ่งรอหนึ่งเอามาจากยุคทวารดาวดีทวาราวดีามาจากพระเจ้าโศกมหาราชพระเจ้าโศกอยู่ประมาณสองรอปีหลังผู้เจ้าปเิณิพันธ์ได้รับการทรงจําถ่ายทอดกันมานะนี่คือเส้นทางเดินของคําสอนพระศาสดาเราจะได้รู้ว่า ศา ส, สนาพุทธอย่าไปแต่งอะไรใหมนะ่แต่งอะไรใหม่ไม่ได้นะก็เพื่อให้ชาวพุทธทุกคนเนี่ยมีข้อมูลอยู่ในมือที่ทัดเทียมกันเท่าเทียมกันพร้อมกันนี้เราก็สอนทั้งพระทั้งคาววะ ด, ด้วยเราไปสอนพระที่สุรินทร์เจ็ดร้อยองคนะ์พระที่บุรีรัมย์สี่ร้อยองค์พระที่ถ้ำดาวเขาแก้วอีกสามสี่ร้อยองค์ พันกว่าองค์ที่สอนมาก็ไม่รู้จักพุทธวจนะเราเริ่มประเมินแล้วว่าพระเนี่ยไม่รู้จักพุทธวจนะนะเราก็ต้องให้ข้อมูลหลักฐานให้ความรู้ตั้นก็จะมีพระที่สนใจเนี่ยเข้ามาร่วมปฏิบัติ <c oughs> นะร่วมขอข้อมูลกับเราสามร้อยกว่าองค์หนึ่งร้อยวัดสี่สิแปดจังหวัดแล้วก็มาฝึกกับที่วัดเราเนี่ยยี่สิหกวัดแรก ก็มาฝึกเราก็ฝึกข้อวัดล้างบาทเช็ดบาทการย้อมจีวรเราจะเห็นจีวรที่หลากสีต่างกันเนี่ยถ้าพระเดินตามพระศาสดาจีวรจะสีเหมือนกันทั่วโลกคือย้อมด้วยน้ําฝาดน้ําที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้อันนี้จากเปลือกมังคุดกับแก่นขนุนนะไม่ต้องไปนั่งคิดสีเองไม่ใช่สีได้มาตามรา้านค้าร้านค้าอยากให้เราสีอะไรก็เป็นสีนั้นนะจีวพรพระเลยสีไม่เหมือนกันแค่ประเทศไทยก็สีไม่เหมือนกัน ไปทั่วโลกก็สีไม่เหมือนกันอีกนะตอนนี้เราฝึกรุ่นที่สองไปอีกประมาณห้าสิบห้าสิบลูกนะไปตั้งศูนย์ที่โคลาดที่ปักช่องนะเราก็ค่อยๆเผยแผ่ไปทางพระนะ <c oughs> เราฝึกให้กับผู้อนวยการโรงเรียนกลุ่มวิถีพุทธอีกพันกว่าโรงเรียนทั่วประเทศ ให้เขาได้รู้จักพุทธศัสนาอันก็จะช่วยกระจายเพราะว่าข้อมูลผิดตอนนี้มันเยอะนะอย่างสมมุติว่าโยมเคยโกรดน้ำกันมาเนี่ยนะปู่ย่าตายายเขาสอนโกรดน้ำแต่พอยมคีย์คำว่าโกรดน้ำเข้าไปนะปรากฏว่าไม่พบคำว่าโกรดน้ำนะในบ า, าลีสามรัฐ เราเคีย์คำว่ากวดน้ําไม่พบคําว่ากวดน้ําแต่เราก็ทํากันไม่รู้ว่าเราทําตามใครไอคนที่ทําก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนบัญญัติหาตัวคนบัญญัติไม่ได้แต่ที่แน่ๆในบาลีสามลัดข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกเนี่ยไม่มีผู้ชาไม่เคยบัญญัตินะยมเคยได้ยิน8ปดหมสี่พันพระธรรมขันมะเคยพอเราเคีย์คว่าแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันไปนะ คำนี้ก็ไม่มีเหมือนกันไม่พบคำนี้นะอาตมาถึงบอกว่าตอนเนี้ยมาล้างข้อมูลเก่าก่อนนะแล้วบรรจุข้อมูลใหม่ไปแล้วเหตุผลหลักฐานที่มาที่ไปนี่นะจะอธิบายให้หมดว่าเป็นมาอย่างไง ตอนนี้เราก็สร้างเยาวช น, นตัวเล็กๆน้อยๆเนียน่ยท่องพระสูตรกันได้อย่างคล่องแคล่วนะก็ยี่สิบสามสิบคนก็เริ่มทรงจำคำาศาสดาได้นะก็ลองให้ดูเยาวชนสักนิดหนึ่งนะเจ็ดขวบแปดขวบอย่าไปบอกว่าพุทธวจนะยากเด็กเจ็ดขวบก็รู้เรื่องค่ะอาจารย์คะ อ่น้ำวนเหรอค่ะอ่ามีพระสูตรไม้น้ำวนว่ามาเลยมีค่ะอืืมได้ถุธรรมน่าสองร้อยสี่ค่ะสองร้ว่า 4, ยัางไงเนาะอืมอีกส่ทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลจเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ก็เป็นของรับนับเป็นของฟรานีเป็นของกินเป็นสุขาวิหารและย่อมอย่งอ า, า, างอักกุสรละธรันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดที่แล้วให้อัจฉริฐานไปโดยควรแก่ฐานนะได้ฉันนะ สัมมาปัด ส, สังนิพนธทติ <No. S 1> เมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อนายนันทิขยาลาคขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะขยาจิตตังสวมุดตันติมุจติเพราะความสิ้นไปแห่ง <c oughs> นันทิและราคะ <c oughs> กล่าวได้ว่าจิตบุดพ้นแล้วด้วยดีดังนี้ จิตได้ทันการงานว่าไปเลยองน้ำบุ้นชวนครับขั้วเพื่อนฝูงมานั่งสมาธิมาท่องประสูกันมี5อย่างพระเจ้าข้าตีดนดีหลับอารมณ์อากเสาถ้าอย่างนั้นเธอจงจำฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติที่6ที่ไว้คือปิกสูในกรณีนี้นติยานติยาอัศติอาคติปตินะโหติ เมื่อเมื่อความน้องไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มีอาคติอคติยาอัคติตูตูปปาโตนะโหติเมื่อการมาและการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีตุระสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งเมื่อพรงอยู่ผู้เดียวจึับไปเพราะไม่มีสิ่งนี้คือกฎอิทธิปยาตาและปฏิจจสมบัติให้เด็กเนี่ยสวดบทที่พระศาสดาสวดนะคือกฎอิทัิปยาตาและปฏิจจสมบัติ เัานนด้เป็นปัจจจจรงมีชลายและหนภาษราะ dependent เ, เป็นชาว t i o n with อันนี้มันก็อยู่ที่เราผู้ใหญ่เนี่ยได้ ศึกษาและเข้าใจคำศาสดาของเราเองไหมแล้วเราจะถ่ายทอดให้ลูกหลานเราเพราะนั้นโยมที่มาที่วัดเมื่อเข้าใจพุทธวจนะแล้วก็อยากให้ลูกได้สิ่งที่ถูกต้องเสพครบธรรมะของศาสดานะพระผู้มีพระบาคเจ้าก็จะให้ศึกษาให้ทรงจำคำของพระศาสดาทุกพระสูตรคำที่ออกจากปากพระศาสดาดีหมดนะเด็กเหล่านี้ก็จะคล่องคล่อไปเรื่อย พรัศดาบอกอ น, นิสง์แค่ทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำการละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาในภพของเทวดาจะมีสี่ลักษณะหนึ่งเขาจะไปละลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้และจะบรรลุธรรมในภพเทวดาอย่างที่สองเขาจะไปได้ยินภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้วเขาจะละลึกได้และจะบรรลุธรรมอย่างที่สาม เขาจะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมแก่เทพบริษัทด้วยกันเองนะแล้วก็จะบรรลุธรรมอย่างที่4ี่เขาจะได้ยินเทพบริษัทผู้เกิดก่อนเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะและจะบรรลุธรรมนี่คือ4ลักษณะนะปกติเรามีสติหลงลืมทำกาลละก็จะไปสู่อบายแต่ถ้าเราคล่องแคล่วทรงจําคําศาสดาได้เราจะได้หลุดไปเป็นเทวดานะนี่คืออ น, นิสงส์สีอย่างของการแค่ทรงจําคําศาสดาได้ และ น, นิสง์ของการได้ยินได้ฟังคสสาําศาสนาก่อนสิ้นชีวิตซึ่งเทศสอนกับพระผัดคุณนะซึ่งหลายคนคิดว่าคนที่มีทุกุเวทนามากเนี่ยก่อนสิ้นชีวิตแล้วจะหลุดทนไม่ได้ไม่ไม่จริงนะครูเจ้าไปเทศให้พระผัดคุณนะบอกผัดคุณน ะ, ะณนะทนได้ไหมบอกทนไม่ได้ปวดหัวมากเจ็บท้องมากบอกผัดคุณนะตั้งใจฟังธรรมแล้วก็เทศให้ฟัง หลังจากนั้นหลีกไปเสร็จพระนนก็บอกหลังจากผู้เจ้าหลีกไปไม่นานพระพัฒคุณคก็ทําการละลงแต่ชวิวันผ่องใส ย, ยิ่งนักผู้เจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนเข้าฟังธรรมเขายัางลัสัรโยธาไม่ได้แต่หลังจากฟังธรรมแล้วเขารัาสัรโยธาได้แล้วคือได้เป็นอนาคามีบุคคลจึงบอกอ น, นิสงส์6ประการของผู้ได้ยินได้ฟังคําศาสดาก่อนสิ้นชีวิตจะมีสองกลุ่ม ลลลดดกลุ่มหนึ่งถ้ายังละาสังโยชน์ท่าไม่ได้จะลาได้อีกกลุ่มหนึ่งถ้าละสังโยชน์ท้าได้แล้วจะได้เป็นพระรา้านในสองกลุ่มนี้มีสามลักษณะที่เหมือนกัน1ได้ฟังจากพระศาสดาโดยตรง2ได้ฟังจากสาวกที่นำำําคําศาสดามาถ่ายทอดอย่างที่สเข้าระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองนะังั้นจะเป็นใครก็ตามขอให้นาคาศาสดาตรงตร ง, ตรงมาถ่ายทอดโยมได้อนุสาสนีปฏิหารไป ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยยมบรรลุทาได้นะนั้นพระศาสนาจึงเน้นว่าเราจะต้องศึกษาพุทธวจนะศึกษาคำของตถาคตเพราะพระองค์บอกเองว่าคำที่แต่งใหม่หรือคำสาวกเนี่ยอย่าไปเงี่ยวหูฟังบอกว่าสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรลมีอักษรสลัดสลวยมีพิจาณาอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคากล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี้ยวฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนอย่าไปฟังอย่าไปเล่าเรียนอย่าไปศึกษาคําที่แต่งขึ้นใหม่หรือคําของสาวกนะส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นําสุดต่างๆแปลว่าคําสอนเหล่านั้นมากล่าวอยู่เด่น เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนรัดไว้กลับกันเลยคาศาสดาเธอต้องฟังคําที่แต่งขึ้นใหม่อย่าไปฟังนะฉะ <c oughs> นั้นจริงๆแล้วพระมีหน้าที่ทรงจําคําศาสดาให้ได้แล้วก็ถ่ายทอดไปตรงๆจะเหมือนกับว่าโยมเนี่ยนั่งต่อหน้าพระาศาสดาได้ฟังคําศาสดาล้วนๆนะนั้นถึงแม้พระาศาสดาจะไม่อยู่แล้ว ผู้เจ้าก็บอกพระนนลความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเรามีพระาศาสดาล่วงรับไปแล้วาศาสดาของพวกเราไม่มีอาน น, น์เธออย่าคิดอย่างนั้นทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีแล้วจักเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปของเราตัวธรรมวินัยนั่นนะ่ะที่ผู้เจ้าตัดไว้ดีแล้วทั้งหมดสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนั่นนะ่ะคือาศาสดาแทนพวกเราต่อไปนั้นถึงโยมจะเห็นตัวผู้เจ้าเดี๋ยวนี้ก็คือ จะได้ประโยชน์จากคําสอนคําพูดของท่านเท่านั้นเองพระองค์บอกว่ากุลิประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้พระองค์ยังบอกกายพรองเป็นกายเน่าไม่มีประโยชน์อะที่จะไปเห็นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นปฏิจจสุบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราจะเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆคือเห็นธรรมะเห็นธรรมชาติที่ไม่ตายนั่นเอง นั่นให้เราทราบความลึกซึ้งตรงนี้นะ <c oughs> เอาโสมารนะ์กทางซ้ายมือของอัตมากับเอาโสอิดทางขวามือของอัตมา ก, นะก็จะช่วยดูแล พวกเราในการเดินการนั่งการถ่ายทอดพระสูตรพุทธวจนะให้พวกเราฟังพวกเราจะได้ฝึกตามปฏิบัติตามหลักๆมักวิธีที่เราใช้ตอนนี้คืออานาปานาสติและการละนันทิละความเพลินหรือกา ย, ยะคตาสติการมีจิตอยู่กับกาย ปกติเวลาพูดกายคตตาสติเราจะไปนึกแต่อสุภาะนะจริงๆแล้วกายคตตาสติคืออนาปา่าสุภาะก็ได้รู้ตามการขึ้นไหวริบทอิรบทก็ได้จเจริญชันหนึ่งสองสามสี่ก็ได้นะพระศาสดามีบอกอธิบายไว้หมดนะมักวิธีอะไรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สันเสริญเอาไว้เราจะยิบมักวิธีนั้น เอามาใช้ในการถ่ายทอดบอกสอนนะไม่ใช่ตามจริตฉันจริตฉันชอบอย่างนี้ไม่ใช่ผู้เจ้าไม่เคยสอนว่าให้เธอดูที่จะจริตเธอไม่มีใครประเมินใครได้นะเพราะนั้นผู้เจ้าบอกว่ามหาชนจะเดินตามที่พระองค์สันเสริญเอาไว้นั้นถ้าผู้เจ้าเนี่ยสันเสริญอนาปะายิบอนาปะมาทำก่อนสันเสริญกายกัตาสติหยิบกายกตตาสติมาทมสอนละนันทิบ่อยหยิบการละนันทินะ สอนปฏิจจสุบาทเป็นเรื่องหลักยิบปฏิจจสุบาทมาสอนการพินาศภาษาว่าเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานยิบการพินาศภาษามาทำอย่างนี้นั้นสิ่งที่พระศาสดาบอกนิสงไว้มากคืออาณาปานสติและสอนบ่อยพูดบ่อยมากคือการละนันทินั้นโดยหลักเราในช่วงนี้ก็คือ รู้ลมหายใจเข้าไว้นะจิตเคลื่อนออกไปปั๊บรีบทิ้งอารมณ์กลับมารู้ลมหายใจตั้งไว้ซึ่งกายยกตาสติหรือลมหายใจอาณาป่านะพอผู้เจ้าบอกลมคือกายกายคือลมอันเดียวกันนะกายมีสี่ธาตุดินน้ำไฟลมนะก็ทำแค่นี้ง่ายๆ ความรู้อย่างอื่นก็เพื่อความแตกฉานะก็ค่อยๆรู้ไปทีเล็กทีน้อยอย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์ให้รู้จักคำว่าสัญโยคสัญโยคะแปลว่าจิตเนี่ยผูกกับอารมณ์ไปเรื่อยๆนะยมรู้เรื่องอะไรนานๆในใจนั่นๆๆกำลังผูกกับอารมณ์ละพระเจ้าให้กลับมารู้ลมหายใจหลักการมีแค่นี้ง่ายๆอย่าลืมลมหายใจ พระองค์บอกกายยะตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมัตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมถ้าโยมลืมกายหรือลืมลมหายใจโยมก็ลืมอมัตะลืมนิพพานเหมือนกันชนเหล่าใดบริโภคกายยะตาสติสตชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมัตะถ้าโยมกำลังเอาจิตรู้ลมหรือกายโยมกำลังได้อมัตะหรือนิพพานอมัตะเป็นชื่อแทนนิพพานนิพพานมีชื่อแทนอยู่สส กว่าชื่อหลักการง่ายๆผู้เจ้าบอกอย่างเดียวอย่าลืมกายอย่าลืมกายถ้าใช้ลมอย่าลืมลมหายใจจิตมันจะหลุดไปไหนก็ตามรีบเอากลับมารีบเอากลับมารู้ลมเข้าไว้ไม่ต้องมีคำพูดอะไรในใจผู้เจ้าไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมนะ พ น, นั้นไม่มีพระสูตรใดสักพระสูตรที่ว่าสอนให้มีเรื่องคำบริกรรมในใจท่องคำพูดโน้นคาพูดนี้ไม่มีไม่ต้องท่องอะไรรู้สึกเฉยๆมันโยมหายใจครั้งเดียวสูดเข้าปล่อยออกแค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรรู้สึกเฉยๆได้ทายังไงจะขยายแค่เนี้ไปครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่พรูเจ้าบอกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้นะ มีไหมมีคำพูดอะไรในใจไหมไม่มนะีสอนแค่ไหนทําแค่นั้นบอกแค่ไหนทําแค่นั้นทําตรงตามพระศ า, าสดาเห็นนะบอกพิสูจน์ในธรรมวิ น, นัยนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติมัน่นนะมีสติหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ทําความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทากายสังขารให้ลํางับแค่นี้นะ จิตหลุด ป, ปั๊บละนันทิกลับมารู้ลมจิตหลุด ป, ปั๊บละนันทิกลับมารู้ลมอาการหลุดของเราจะน้อยลงน้อยลงความเพลินของเราจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงเพลินน้อยลงไปเรื่อยๆความรู้ตัวเราจะเร็วขึ้นไวขึ้นนะหรือระหว่างวันการทํางานนะกวาดบ้านถูบ้านเดินเหินก็คอยทิ้งอกุศลไปเรื่อยๆจิตคิดอกุศลขึ้นมาโยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งนั่นสัมมาสังกัปปะ ง่ายๆลายรูปแบบนะอยู่ที่ไหนก็ทำได้แต่งกายชุดลายเก่าตายนะอยู่วัดอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานทำได้หมดคอยทิ้งความคิดอกุศลอย่างเดียวสามอย่างคือการพยาบาทเปลียป่ยนสามอากุศลนี้แค่นั้นเองนะนั่นหลักๆให้ใช้ตรงนี้ก่อนถ้าจะคิด ถ้าจะคิดผู้เจ้าให้คิดสามเรื่องหนึ่งคิดเรื่องปฏิจจสุบาทคิดโดยความเป็นธาตุคิดโดยความเป็นอายจตนะสามอย่างนี้เป็นการคิดที่เป็นส่วนแห่งวิชาความรู้จะเกิดขึ้นนะเรื่องอื่นโยนทิ้งไปก่อนโยนทิ้งไปนะพยายามทำตรงนี้ให้เป็นพื้นฐานจะได้รู้พื้นฐานที่ถูกต้องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สอนไว้บ่อยนะเพราะนั้นเราจะหยิบมรรควิธีที่ง่าย เอามาให้ก่อนนั้นหนังสือหนังสือที่เราทําเนี่ยนะหนังสือที่เราทําทั้งหมดนะจะไม่มีคําสอนอาจารย์คริคลิตไม่มีนะสาวกมีคําสอนไม่ได้นะนั้นหนังสือทั้งหมดจะเป็นพุทธวจนะคําของพระศาสนาทั้งสิน้น นั่นอย่างสามเล่ม น, นี้เป็นพระสูตรง่งายๆนะตามลอยธรรมก้าวย่างอย่างพุท ธ, ธะปฐมธรรมสำหรับผู้ใหม่อันนี้เป็นมรรควิธีที่ง่ายรวมไว้ให้แล้วง่ายโดยความเห็นาศาสดานะไม่ใช่สำนักนั้นสำนักนี้บอกว่าง่ายไม่ใช่คำสอนสาศาสดาโดยตรงเป็นพระสูตรทั้งหมด อาาปาทั้งชีวิตผู้เจ้าสอนแค่นี้สามระสองพสูตรแค่นี้ไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนนี่ข้อมูลในบาลีสามรัฐทั้งสิ้นนะอยากดูจิตรวมไว้แล้วหกสกว่าพสูตรนี่วิธีดูจิตที่ถูกต้องนะสอนดูจิตกันจังเลยนะสอนถูกตามศาสดาสอนหรือเปล่านะผู้เจ้าไม่ไ ห, หลไปกับอารมณ์ รับรู้อารมณ์ปั๊บรีบทิง้งรีบวางให้ไหวที่สุดนะจะเห็นว่าคำพระเจ้าจะไม่มีการขัดแย้งกันทั้งหกสิบกว่าพ ร, รนี้คัลาวาชั้นเลิศนะต้องการเป็นคัลาวาชั้นเลิศก็เล่มนี้อยากแก้กรรมหมดกรรมเล่มนี้โดยพระตถาคตไอ้ที่แก้กรรมกันเนี่ยทำตามพระเจ้าหรือเปล่าใครรู้จริงเรื่องกรรมพนะู้เจ้าบอกพระ อ, องค์คนเดียวรู้จริงเรื่องกรรม และ ว, วิบากของกรรมเป็นหนึ่งนะอจินตยที่บอกอย่าเข้าไปรู้จะเป็นส่วนแห่งความวิปลาสนะเดี๋ยวพวกสแกนเะนี่ยเดี๋ยวก็วิปลาสเถอะนะนะเพราะฉะนั้นผู้เจ้าบอกสอนไม่หมดแล้วนะยิ่งในมิข a s a ลาสูตรบอกเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตผู้เจ้าองค์เดียวนะเะนั้นไม่ต้องมีใครไปเก่งไปทําหน้าที่แทนผู้เจ้าเลยผู้เจ้าทําหน้าที่ไปหมดแล้วแค่หยิบคําสอนของท่านมาศึกษาเรียนรู้ แล้วก็เดินตามกรรมจะได้หมดจริงนี่เป็นนั่งแก้นอนในโรงผ้าขาวคุมน้ําลดตัวนะเดินลงแม่น้ําคงคาเปียกทั้งตัวนะไปสะระก้อดูเลิกดูยามันไม่ได้สกิดผิวกรรมไปเลยนะแล้วตกลงแล้วยมไปทําเสียเงินทองเปล่าเสียเวลาแล้วกรรมไม่ได้ถูกแก้ไปมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อย่าไปเสพข้อมูลผิดเยอะเอาข้อมูลที่ถูกต้องไปวันนี้เรายุคข้อมูลข่าวสารนะโยมเอาข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลเยอะ เต็มเว็บไซต์ไปหมดเต็มทั่วโลกเนี่ยตรงไหนมันข้อมูลถูกะนะปัญหามันคือตรงนี้จึงต้องแจกแจงข้อมูลหลักฐานที่มาที่ไปทั้งหมดนะอยากเป็นโสาบันนะเรามาปฏิบัติกันก็นกเพื่อจุดนี้นะอริบุคคลขั้นต้นทำให้ได้40วันนยะโสดาบันนะศีลห้าบริบูรณ์ไม่หวั่นไหวพระรัตนตรยัย ใครมีสองคุณสมบัตินี้ผู้เจ้าบอกพยากร์ตนเองได้เลยว่าเป็นโสดาบันแล้วไม่ต้องไปวิ่งมีอิทธิปาฏิหาริน์นะดูจิตคนน้นคนนี้ได้นะเห่อเหินเดินอากาศได้คนที่ทำได้ก็ตายเรียบหมดนะไม่ได้เป็นเครื่องวัดอริบุคคลเลยเราเข้าใจผิดว่าคนมีปฏิหาริย์ไปชื่นชมแกเจ็บตายเหมือนกันพรมเทวดาก็มีปฏิหาริมานั่งฟังธรรมผู้เจ้าทาไม พรหมเทวดามีปฏิหารตายแล้วก็ไม่พ้นนรกกันเดยเดยชานเปลวิสัยชาตินี้มีปฏิหารชาติหน้าไปเป็นสัตว์นรกไม่คุ้มเลยเทวทัตก็มีปฏิหารแต่ถูกเท่านี้สูบกลับไปเกิดในเอเวจีมหานรกเนีหมดแล้วปฏิหารหมดไปแล้วถามว่าปฏิหารแก้แก่เจ็บตายได้ไหมไม่ได้ช่วยยมเป็นอริบุคคลได้ไหมไม่ได้แล้วคนมีปฏิหารเป็นการการันตีไหมว่าเขาสอนธรรมะถูกต้องไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยเราเอาเครื่องวัดผิดมา วัดสอบกันมั่วไปหมดตอนนี้นะเริ่มมั่วกันนั้นมารู้ใหม่มาศึกษาใหม่ไม่ใช่คําสอนอาจารย์คิ์อาจารย์คุอิ์ไม่มีคําสอนยมยิงตรงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทีเจ้าสอนอะไรบอกอะไรเกิดมาทําไมนะสอนเรื่องอะไรโดยตรงนะยมจะได้ฝึกหัดศึกษาสิ่งที่ถูกต้องตรงไปแล้วก็ถ่ายทอดไปตรงๆ ไม่งั้นลูกเราก็ได้ข้อมูลผิดร้านเราก็ข้อมูลผิดผิดผิ ด, ผ ด, ผดตามกันไปนในที่สุดกาลยานวัตรพระศาสดาก็เสื่อมสูญหมดจากโลกซึ่งพระองค์เตือนกับพระนนท์ไว้บอกอานนท์ความคาสูญแห่งกาลยาณวัรนี้มีในยุคแห่งบุรุษใหบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายอานนท์เกี่ยวกับกาลยานวัตนนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลาย จะพากันประพฤติตามกาัลายาวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุตรพวกสุดท้ายของเราเลยกาัลรรายาณวัตรคำสอนที่าศาสดาตั้งไวนะบัญญัติไว้ไม่ใช่สาวกตั้งนั้นทุกวันนี้หนังสือต่างๆเนี่ยโยมไปดูเนี่ยทั่วประเทศมีแต่คำสาวกทั้งนั้นเลยหนังสือแต่เมืองพูดหานังสือที่เป็นคำาศาสดาตัวเองไม่ได้โยมไปหาในประเทศดูสิ มีที่ไหนมีแผนหนังสือไหนมีหนังสือที่เป็นคําศาสดาตัวเองล้วนๆมัง้งไม่มีเห็นนะมันไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นความจริงนะปัจจุบันนะจริงๆหนั ง, หนงสือศาสดาเหล่าเมืองพุทธต้องมีทุกแผงหนังสือทั่วประเทศนะแบบหนังสือมนต์พิธีมันมีเต็มประเทศเลยใช่ไหมซื้อซื้อที่ไหนก็ได้เอ๊ะทำไมหนังสือที่ข้อมูลแต่งเติมมันมีเยอะนะแต่ข้อมูลจริงมันมีน้อย มันผิดมาจากพระพระเราไม่สอนไม่ถ่ายทอดกันเองเยอะนะความเสื่อมมันเริ่มจากพระก่อนพู้เจ้าบอกเลยว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจกมีภิกษุไม่สนใจคำตถาคตพระเนี่ยแหละจะไม่สนใจคำศาสด า, าตัวเองนั้นพระทุกวันนี้จะบอกว่าโอ้คำพระเจ้าเนี่ยต้องปรับปรุงแล้วใช้ไม่ได้หรอกการเวลามันเปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนนี่แหละไม่เชื่อศาสน า, าตัวเองว่า เก่งขนาดเป็นสัพพัญญูคำพูดเป็นอากาลิโกดูถูกศาสดาตัวเองอย่างมากน ะ, นะก็จะกลายไปเรื่อยความเห็นกลายไปกลายไปก็ค่อยๆมาศึกษาแล้วยมจะรู้จักว่าพุทธวจนะจริงๆคืออย่างไรเพราะพระทุกองค์ก็อาจจะพูดว่าเขาก็สอนคำพระเจ้าทั้งนั้นนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะ ถ้าสอนคําพระเจ้าทั้งนั้นมันจะมีสายได้ยังไงอยู่นะเพราะพุทธเจ้าบอกเลยว่าคําพระองค์ไม่มีการขัดแย้งกันขัดแย้งกันไม่ได้ในเมื่อคนพูดคนแรกยืนยันว่าคําพูดตัวเองไม่มีการขัดแย้งกันทั้งชีวิตสี่สิห้าปีที่ถ่ายทอดมาเ น, น้นมันต้องมีคนจํามาผิดนะหลักนี้เรียกว่าหลักมหาประเทศสี่ ฟังคำใครพูดมาแล้วเนี่ยจะพระองค์ไหนก็ตามจะอ้างว่าจํามาต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าจํามาจากคณะพระเถระอาวันาวัดนี้จํามาจากคณะพระเถระที่เป็นพระสูตรอาวัตนวัดนี้จํามาจากภิกษุผพิสูตรรูปหนึ่งอาวัตนวัดนี้สี่ข้ออ้างนี้พระเจ้าบอกเธออย่าพึงรับรองอย่าพึงขัดขานจําให้ดีนะก็พูดอะไรแล้วเอามาตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตก่อนถ้าเข้ากันได้ลงกันได้ให้สันนิษฐานว่า นั่นเป็นคําของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่แล้วพิษุรูปนั้นเนี่ยจำมาอย่างดีให้รับเอาไว้แต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ให้สันนิษฐานเลยว่านั่นไม่ใช่คําพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนภิกษุรูปนั้นเนี่ยจำมาผิดให้ทํำยังไงละทิ้งคาพูดนั้นไปเสียเห็นไหมยาสืบต่อมันจะเปรียบเหมือนเนื้อไม้ใหม่ที่ทําเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองน ะ, ะซึ่งพระเจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนกลองศึกของกรรษัตริย์ทัศลรหัชื่ออนาการ ตีไปตีไปในที่สุดก็แตกกระสัก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นเห็นนะนี่แหละชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันธรรมพุทธเจ้าจะค่อยๆหายไปหายไปหายไปเรื่อยเรยนั้นเวลาเราจะอุทิศบุญกุศลอยมก็ไปวิ่งหาน้ําหาแก้วกันเต็มเลยแทนที่จะนั่งเตรียมจิตตัวเองให้สงบปราศจากอากุศลนิวรณ์ใช่ไหม ย่อไปวิ่งหาน้ําหากแก้วพระเจ้าไม่ได้บัญญัติไปสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติคือการเตรียมจิตกลับไม่เตรียมเพราะไปนั่งฟังคําที่คนแต่งขึ้นใหม่ซึ่งก็หาตัวไม่ได้เลยไม่รู้ใครมันคนบัญญัติจับมือใครดมไม่ได้ไม่รู้เกิดมาตั้งแต่ยุคไหนแต่ทํากันไปทั่วประเทศเลย น, นี่ยคือปัญหาพระองค์จัดไว้กับวาเศรษฐะวิธีแผ่เมตตาบอกว่าเศรฐะเมื่อจิตของเธอปราศจากนิวรณ์หรืออกุศลแล้วเนี่ย ให้เธอทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ที่ที่หนึ่งสอสามสี่แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบนืบ้องต่าเบื้องขวางอย่างไม่มีประมาณมีพระสูตรรองรับหมดพระศาสดาบอกสอนไม่หมดละเอียดละเ อ, อเล่าเนี่ยไม่เข้าไปศึกษาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระเมื่อพระไม่ศึกษาญาติโยมก็ไม่รู้มาโทษญาติโยมไม่ได้เห็น ไ, ไหมปัญหามันคือตรงนี้ก็เลยเล่าที่มาที่ไปเหตุผลอะไรต่างๆให้ฟัง เราเคยเรียนมาบัวสี่เหล่าที่พระเจ้าบอกเห็นไหมจริงๆในพุทธวจนะมีบัวสามเหล่าไม่เคยตัดสี่เหล่าอย่างนี้ใต้น้ำปลิมน้ำพด น, น้ำแค่นั้นเองข้อมูลผิดบานเลยเห็นไหมแปดหมื่นสี่พันพัทธมขาขันก็ไม่มีไม่เคยตัดเคยได้ยินรูก ป, ประชานอรือลูกประชานไหมไม่มีอีกเหมือนกันไม่มีพระเจ้าไม่เคยตัดไว ผู้เจ้าใช้คําว่ารูปปัญญากับอรูปปัญญานะเคยได้ยินคําว่าคณิกสะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิไหมอ่าผู้เจ้าไม่เคยพูดอีกเหมือนกันทั้งชีวิตนะผู้เจ้าพูดสมาธิมี9คําคปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานาญจายเจตนาวิญญาณาญจายเจตนะอากินจัญญาเตนะเนวสัญญานาสัญญาเจตนะ ส, สัญญาเวทิตนิโรธเห็นนะ อีกเยอะมากนะอีกเยอะมากที่ตรวจสอบไปเนี่ยเราค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆลยไล่ไปตรวจไปตรวจไปก็ทําข้อมูลเก็บไว้หมดนะ่ะนะโยมเคยไปวัดต่างๆเห็นแผนผังสามสิเอ็ดพบภูมิไหมอา่อาอัตกท้าอีกเหมือนกันของปลอมนะเดี๋ยวกําลังจะทําใหม่พุทธวจนะพบภูมิทั้งหมดที่พระเจ้าบัญญัติไว้มีอะไรนะเคลียร์กันใหม่หมดเลยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะ มันต้องจบลงได้นะเรามีคอมพิวเตอร์เรามีอุปกรณ์พวกนี้แหละนับว่าเป็นโชคดีนะสมัยท่านุาู้ท่าอยู่ท่านทำเนี่ยนะจากพระโอษฐ์เนี่ยท่านกว่าจะรวบรวมพุทธวจนะได้นะแค่ห้าเล่มอย่างเนี้ยี่สิบสองปีอยนนะนะแต่ณวันนี้เรารวบรวมพุทธวจนะได้ทั้งหมดละสามสิบสามเล่มตรงนี้ไม่กี่ปีรวมได้แล้ว ทั้งภาษาบาลีภาษาไทยครบถ้วนอยู่ในนี้เสร็จหน้าซ้ายบาลีหน้าขวาภาษาไทยยมตรวจเช็คความถูกต้องได้ทันทีนะไม่ต้องไปวิ่งหาบาลีที่ไหนอีกเอาจับมาอยู่คู่กันเลยทุกหน้าเลยนะหัวข้อตรงกันและข้อมูลใส่ในคอมพิวเตอร์สแกนหาได้ปั๊บเดียวเจอนะนะนี่ก็เป็นโชคดีของการนาเทคโนโลยีมาใช้นะ ก็พยายามจะให้ข้อมูลเหล่าเนี้ยกับญาติโยมนะอยากให้ชาวพุทธได้รู้คำพระศาสนาตรงๆจริงๆว่าปุ้จจะสอนจริงๆอะไรมันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันและโยมไม่จำยังไม่จําเป็นต้องไปแก้ไปเปลี่ยนใครหรอกเปลี่ยนตัวเองพอแค่โยมเปลี่ยนตัวเองแค่เนี้ยสุดยอดและเพราะแก่เจ็บตายนระกสวรรค์ทุกคนต้องไปกันเองนะอพึ่งใครไม่ได้พึ่งใครไม่ได้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 นั้นธรรมะต้องธรรมะที่ถูกต้องนะคือพุทธวจนะก็กลั่นให้โยมฟังนิดหนึ่งเนาะเราจะได้ทราบที่มาที่ไปอะไรต่ออะไรกันให้เรียบร้อยนะในช่วงเสาร์อาทิตย์อาจจะติดข้ามบันเสาร์สักนิดหนึ่งที่ อาตมาจะไม่ได้แวะมาตอบคำถามแต่ดูถ้าช่วงกลางวันจะอาจจะได้มาไอ้ค่ำวันเสาร์เนี่ยจะถ่ายทอดสดไปทั่วโลกทางอินเทอร์เน็ตนะ จ, จะมีผู้ชมจากต่างประเทศจำนวนมากพอสมควรเหมือนกันเชิญช่วง ช่วงค่ำใช่มาถามได้โยมถามได้ถามไดนะ้ก็ถามได้ทั้งถามสดแล้วก็ส่งกระดาษมานะระหว่างที่ยังไม่มีถามสดก็ตอบคาถามในกระดาษไปเรื่อยบริหารเวลาให้มันคุ้มที่สุดนะถ้เาเราใครมีข้อสงสัยอะไรก็เขียนมาเขียนมาทุกเรื่องมีคำตอบโดยพุทธวจนะทั้งหมดพระาศาสดาตอบปัญหาของคนทั้งโลกไว้หมดแล้วรู้ว่ามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมีความเห็น62แบบ นั้นโยมไม่ต้องกลัวว่าไม่มีคำตอบโดยพระผู้มีพระภาคเจ้ามีหมดนะเพียงแต่ใครค้นคว้ายังเข้าไปไม่ถึงแค่นั้นเองนั้นก็ช่วงนี้อาจจะให้ปูพื้นนะฟังข้อมูลต่างๆไปก่อนแล้วก็ฝึกนั่งฝึกเดินฝึกลองนะจะได้เห็นว่าเออเรานั่งเนี่ยจิตมันอยู่ยากเหมือนกันนะดูว่าโอ้มันไม่หมูนั่นเอยนะการมาฝึกจิตนี่ไม่ง่ายเหมือนกัน ถ้าถ้าเราจะไปวัดดวงเอ้ยเดี๋ยวตอนตายคข้าฝึกก็เรียบร้อยกันนะจิตมันจะฟุง้งซ่านมันจะมันต้องมีการเตรียมการก่อนนะมีการเตรียมตัวตายแต่เนินเน่าก็คิดว่าคงจะได้ได้ข้อมูลคร่าวๆพอสมควร ถ้ากลับไปใครมีอุปกรณ์พวกนี้ก็โหลดเข้าเครื่องตัวเองได้เลยนะจะได้ตรวจสอบข้อมูลยมค้นได้ทุกเรื่องสนุก อยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ขีคำว่าตอบแทนบิดามารดาเข้าไปปุ๊บผสูตรก็ขึ้นมาอยากสวยรวยสูงสากจมก็ขาาีคำว่ารูปงามนะทรัพย์แล้วก็สูงสากเข้าไปปับ๊บผสูตรขึ้นมาเราก็รู้แลแวจะทํำยังไงให้ได้เหตุปาใจตรงนี้นั้นทุกเรื่องมีคําตอบหมดเลยโยมบอกไม่กระทั่งจักรวาลระดับของจักรวาลมีกี่ระดับ ไกลขนาดไหนนะมีที่สุดหรือไม่นะโอ้ละเอียดเยอะแยะเลยสุดยอดมากคำพุทธเจ้านี่นะนะไม่ต้องมีจรวดเลยนั่งเงียบงบยี้อยูเย่เฉยจิตนิ่งปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าบอกจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นนันเองรู้ทุกเรื่องนะถ้าอ่างนั้นสำหรับการเปิดวันนี้ก็คง พอเท่านี้ก่อนนะมีขั้นตอนไล่ต่อไปแม่เชิญได้นะด้านกราพาจารย์ทารนั่งเตทีที่ปลุกเ ท, ทียบด้วยกานกรากรา แรกถามว่าคําว่านันทิหรือความเพลินนั้นเข้าใจว่าคือการไหลไปตามอารมณ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลใช่หรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นในชีวิตประจําวันจะมีวิธีอย่างไรที่จะละนันทิได้บ่อยๆเพราะต้องใช้ชีวิตและการงานและทำงานซึ่งก็จะต้องปะทะกับสิ่งต่างๆเสมอตลอดทั้งวันครับพระศาสดาบอกไว้แล้วว่า อันดับแรกให้ละอกุศลก่อนโนะยมต้องละนันทิในทุกเรื่องทุกอาจตนะทุกอารมณ์ถึงจะเข้าวิมุตตได้แต่อันดับแรกเนี่ยมรตมีองแเนี่ยสัมมาสังคัปปะพระองค์บอกว่าให้ไถ่ถอนบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลมิตกนะมีสอย่างคือการพยาบามเปลี่ยน สามความคิดนี้เกิดขึ้นต้องรีบทิ้งโยมอยากทํางานก็ทําไปแต่ทํางานต้องคิดเบียดเบียนก็ได้วยมยต้องคิดพยาบาทก็ได้วยมยใช่ไหมอ่าไม่จำเป็นนะเพราะฉะนั้นความคิดที่เป็นไปในทางกลามคือยินดีในทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกับในทางยินร้ายคือพยาบาทกับเปลียดเบียนสามความคิดนี้เกิดขึ้นแล้วให้รีบวางโยมยินดีก็เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาแวงได้นะ ยินไลยก็เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาแวงได้เหตุปัจจัยของการทะเลาะเบาแวงถ้าโยมไม่อยากเกิดขึ้นในทางโลกต้องรีบวางความยิน ด, ดีินไล่ให้เร็วนะเพราะสาเหตุของความพอใจไม่พอใจจะเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาแวงเหมือนที่พรธเจ้าตอบกับจอมเทพจอมเทพมาถามพระเจ้าว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการทะเลาะเบาแวง ทัทั้งโลกธาตุยักษ์หน้าคนทันอสูรมนุษย์เทวดาทะเลาะ ก, กันหมดเลยมันเป็นเพราะอะไรเลยมาถามพระาศาสดาพระาศาสดาบอกว่าเหตุเป็นเพราะอิจฉาและตรณีท่านก็ถามต่อไปว่าความอิจฉาและความตรณีมีเพราะเหตุอะไรบอกว่าสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักรักอะไรไม่รักอะไรนี่แหละ พอใจไม่พอใจนี่แหละโยมต้องรีบวาง <c oughs> นะวางความยินดียินไายเพราะมันกําลังจะเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาแบงกันแล้วอิจฉาและจระหนีกําลังจะเกิดขึ้นในอารมณ์ต้องรีบวางนะเพราะฉะนั้นในขณะที่ทํางานโยมก็ละนันทิในอกุศลทุกเรื่องนะแค่นี้ก็ทํากันเป็นสิบสิบปีแล้วกว่าจะละได้ อกุศลมันจะเกิดขึ้นในใจอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวจะไปว่าเขาจะไปเบียดเบียนไปใส่ร้ายไปพูดเพอเจอคำหยาบส่อเสียดอุทิปฐานเลยนะโยมคอยละคอยทิ้งคอยละคอยทิ้งไปเรื่อยๆนะแค่นี้โยมก็ได้สติขึ้นมาเยอะมากแล้วนะและสัมมาสังัปปะโยมทำอย่างเดียวสามารถทำจิตให้หลุดพ้นได้เลย ครูจะอธิบายสัมมาสังกปะอย่างเดียวเป็นเหตุให้มีสมาธิธิเกิดขึ้นสัมมาวายามะก็จะเกิดขึ้นสัมมาสติเกิดสมาสมาธิเกิดมรรคมิมงแปดเกิดขึ้นมา5องค์พร้อมกันส่วนอาชีวะนั้นก็จะบริสุทธิ์มาแต่เดิมเพราะเมื่อคิดไม่ผิดการกระทํากายวาจาผิดไม่ได้อาชีวะนั้นพระองค์บอกว่าจะบริสุทธิ์มาจากเดิม3ข้อนะสัมมากรรมันตาสัมมาชีวะสัมมาวาจา มักมีวงแหวจะถูกทำขึ้นมาพร้อมๆกันด้วยการทิ้งอากุศลอย่างเดียวไปเรื่อยๆถัดไปนะครับผู้ถามไม่ได้มาปฏิบัติเป็นเวลาหลายปีวันนี้มาปฏิบัติก็สับสนจิตไม่นิ่งพอสงบก็รู้สึกเบาวางเวงเหมือนจะวู้ไปและมีเวลาหายใจเข้าจะรู้สึกแปลกไปถูกจุดที่เราเจ็บตอนนี้เจ็บขอไหล่และหลังควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับ ก็ทำไปเรื่อยๆอยูนะ่เจ็บหลังแล้วเดินเจ็บไหมล่ะถ้าเดินไม่เจ็บก็ก็ไปฝึกเดินจงกรมนะก็นั่งธรรมดานะนะนั้นเวลาเราใช้รีบทดใดมากๆมันก็จะเกิดทุกขเวทนาในรีบทนั้นนะเราคอยเปลี่ยนรีบทเรื่อยๆ จิตไม่นิ่งก็ไม่ใช่ปัญหานี่จิตไม่นิ่งมันเคลื่อนเคลื่อนยมมีหน้าที่ละนันทิละความเพลินกลับมาอยู่กับลมมันไปโยมก็ละความเพลินกลับมาอยู่กับลมไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไรมันไปก็ไปนะไปปุ๊บเราก็รู้ตัวละแล้วก็กลับมาแค่นั้นเองสติเราจะเร็วขึ้นไปขึ้นเร็วขึ้นไปขึ้ น, ไ, นไปเรื่อยๆนะ นั้งตัวสมาธิผู้เจ้าก็ไม่ได้เคยให้ใช้เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าในการภาวนาผู้เจ้าให้ใช้ความเร็วในการทิ้งอารมณ์ทิ้งได้เร็วไหมเร็วกว่าเดิมไหมนั่นคือถึงจิตโยมจะฟุง้งแต่ถ้าโยมทิ้งได้เร็วนั้นโยมก้าวหน้านั้นฟุ้งก็ฟุ้งไปสิฟุ้งโยมก็ละกลับมารู้ลมฟุ้งโยมก็ละกลับมารู้ลมแล้วก็ทําแค่นี้นะอ่า ขณะนั่งปฏิบัติสมาธิเกินอาการมึนปวดศรีรษะเป็นเพราะอะไรและจะทำอย่างไรจึงจะหายปวดได้ครับมันเป็นหลายกรณี1เป็นโรคทางกายของโยม2เป็นเพราะตั้งใจเกินไปนะพวกนั่งสมาธิใหม่ๆเนี่ยชอบตั้งใจมากตั้งใจมากปุ๊บจะแน่นหน้าอกปวดหัว นะหายใจติดขัดจะเป็นไปหมดตั้งใจเกินไปพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือนะก็ต้องจับพอดีๆ อ, อย่างนีนะ้ผู้เจ้าให้หาความสมดุลแห่งธรรมหาความพอดีเะั้นอย่าไปตั้งท่ามากนั่งสมาธิก็คืออย่าไปตั้งใจเกินเหมือนนั่งสบายๆนั่งเล่นธรรมดา ผู้เจ้าจึงบอกหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้ปล่อยเป็นธรรมชาติมันจะยาวก็ปล่อยยาวมันจะสั้นก็ปล่อยสั้ น, นเพียงเอาใจมารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกพระาศาสดาจะเปรียบเหมือนช่างกลึงเนี่ยดึงเชือกกลึงยาวรู้ดึงเชือกกลึงสั้นรู้ดึงเชือกกลึงยาวรู้ดึงเชือกกลึงสั้นรู้แค่นี้จิตแนบอยู่กับธาตุลม ผู้เจ้าไม่เคยบอกว่าอยู่กับปลายจมูกนะอยู่เลงฝีปากอยู่ที่หน้าอกที่ท้องที่สะดือที่พุงไม่ได้บอกไม่ได้บอกก็อย่าไปเติมผู้เจ้าตัดแค่หายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้บทพินชณะมีแค่นี้จบแค่นี้นะอย่าไปเติมไม่ต้องไปถามว่าเอ๊ะต้องผ่านจมูกไหมก็ผู้เจ้าไม่ได้บอกก็เอาจิตอยู่กับลมที่กาลังไหลเข้าไหลออกแค่นี้ เหมือนโยมเป็นผู้เช่าเองเ่ยแล้วโยมจะสอนลูกศิษย์เนี่ยถ้าโยมทําอย่างนี้โยมจะต้องพูดยังไงออกมาเป็นบทพิจารณาที่ถูกต้องและลูกศิษย์เราเนี่ยจะทําตามได้ตรงๆไม่พูดคาไหนอย่าไปเติมอย่าไปตัดคําของท่านพยายามนึกคําของท่านแล้วทาตามที่ท่านพูดให้ตรงๆแค่นั้นเองนะง่ายๆพอโยมทําได้ปุ๊บโยมก็จะเข้าใจบอกเออมันมีแค่นี้เองเนาะนี่อ่า นันถ้าผู้้าบอกแค่นี้ก็แค่นี้อืทําไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็ได้เองอ่ถ้าเป็นอาการจากการตั้งใจมากก็ลดความตั้งใจลงนะอย่าละหลวมเกินไปอย่าตั้งใจมากเกินไปนะปล่อยจิตสบายๆเดี๋ยวก็สงบเองนะอยู่ที่การฝึกนั้นสามสี่วันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเก่งเลยนะโยมนะ 3-4 วันเนี่ยมาได้ทดลองปฏิบัติมาได้รู้แนวทางนะอ่าได้ปฏิบัติไปพร้อมกับได้ซักถามได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปได้ความชัดเจนไปแล้วไปปฏิบัติต่อนะไม่ใช่กิเลสมันจะหมดกัน 3-4 วันนี้หรือให้7วัน10วันมันก็มันก็ยังนะอ่ะมามันต้องต่ออีกนาะนทา มันเป็นสิ่งที่จะต้องทำสม่ำเสมอเรียกว่าปฏิปทาสม่ำเสมอเหมือนโยมเดินเนี่ยหนึ่งแสนกิโลเนี่ยโยมไม่สามารถเดินได้หนึ่งเดือนสองเดือนมันไม่ถึงนะแล้วยมก็จะท้อใจแต่หลักการมันไม่ได้ยากแค่ก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายก้าวขวาก้าวซ้ายหลักการมันมีแค่นี้รู้ลมหายใจละนันทิรู้ลมหายใจละนัน ท, นนทิแค่นี้แต่ กว่ามันจะได้นะ่ะมันนานนานโยมก็จะเบื่อกลางกลางคันเนี่ยนะระหว่างที่โยมเบื่อเนี่ยโยมกลับมาตรวจกลับมาตรวจสอบว่าเราทำถูกตามที่ศาสดาบัญญัติไหมถูกไม่เหมือนใครไม่เป็นไรเหมือนพระพุทธเจ้าบอกจบละนะแล้วโยมก็เดินต่อไปเดินต่อไปนะพุทธเจ้าเรียกตรงนี้ว่ามันหนทางไกลเป็นผู้รอบรู้หนทางไกล นะนั้นเส้นทางนี้มันโมันเดินกันยาวนานโยมเนี่ยเดินจากอวิชามาเนี่ยโอ้สังสารวัตนี้ยาวไกลมากนั้นโยมคิดว่าใช้เวลาทั้งร้อยปีเพื่อที่จะหลุดพ้นได้นี่ก็ถือว่าเร็วสุดๆแล้วนะความอยากแล้วมันจะชอบจะแสงไงเอ๊ะทำไมมันไม่ได้สักทีไม่ต้องโยมให้ไปเลยหน100ึ่งรปีนะก่อนตายต้องได้อะไรบ้าง น, นะแน่นอน แล้ก็ทำไปเรื่อยๆเรียกว่าทําให้เป็นปฏิบปทาสม่ําเสมอทําไปทุกวันทุกวันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะถัดไปมีสาข้อนะครับข อ, อการอ่านให้ครบก่อนนะครับข้อแรกถทว่าการรู้ลมหายใจต้องตลอดเวลาหรือไม่องเล็ดตอนเดินจงกรมรู้กายเคลื่อนไหวซ้ายขวาหรือการรู้ลมหายใจเฉพาะเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวข้อ2ถาทว่าหากการรู้ลมหายใจเป็นการตามรู้กาย ซึ่งเป็นฐานหนึ่งในสติปฐานสี่และพระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงบ่อยที่สุดแล้วฐานอื่นคือเจตเวทนาธรรมพระพุทธเจ้าได้พูดถึงบ้างหรือไม่ว่าเป็นอย่างไรอีกข้อถามว่าในพุทธวจนะกล่าวถึงการรู้ตามจริงหรือปัจจุบันขณะบ้างหรือไม่หากกล่าวถึงหมายความว่าอย่างไรบ้างครับ รูล้ลมหายใจก็ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จ้ะวันวันหนึ่งนี่ยมลองนับสิว่าวันหนึ่งเรานึกถึงลมหายใจได้กี่ครั้งอว่าทาแรกๆนี่ได้ครั้งสองครั้งก็เก่งแล้วนะวันวันหนึ่งคี้ไปตลอดเลยพอตั้งใจจะมารู้ลมดูรู้ได้พักเดียปุ๊บหายไปแล้วก็ทำโน่นทำนี่ไปทั้งวันเลยกว่ามันจะทำได้ไปบ่อยๆไปตลอดโ อ, อ้โหนานนะ เป็นหลายปีอะตมาหลายปีไม่รู้โยมอาจจะเร็วกว่าก็ได้นะแต่ก็คิดว่าไม่ไม่ง่ายเหมือนกันนะแต่หลักการมันไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากแต่กว่าจะทำได้เนี่ยมันนานเพราะความเคยชินเราอนุสัยความเคยชินในสังสรวัที่ยาวไกลเนี่ยมันติดมานานมานานนะเราจะคุ้นเคยกับความคิด ส่วนเดินจงกลมก็รู้การเคลื่อนไหวนะไม่ต้องซ้ายไม่ต้องขวารู้แค่ว่ามันก้าวก็ก้าวเดี๋ยวก็ไปตั้งท่องซ้ายขวาอีกนะไม่ต้องมีคำพูดอะไรในใจพระศาสดาให้หยุดจิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ลํางับรู้จากจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตแล้วทำการปรุงแต่งของจิตให้หยุดนะหยุดพูดในใจนะ เหมือนยยมอเอามือลูบพื้นเนี่ยรูบหนังสือแไปลดี๋ยวไม่ต้องบอกรูปหนังสือรูปหนังสือรูปหนังสือโยมก็รู้สึกได้นั้นเท้านี่เข้าวไปเนี่ยสัมผัสรับรู้การสัมผัสเฉยๆนะหรือรู้แค่ก้าวคุณเจ้าบอกการก้าวไปถอยกลับเดี๋ยวดูแลดูคู่แขนเหยียดแขนโยมรู้แค่เนี้ยรู้ว่ามันเหยียดข้ามาไม่ต้องบอกเหยียดข้าวเหยียดออกในใจไม่ต้องพูดรับความรู้สึกนี่ รู้สึกเนี่ยแค่นั้นเองนะทําความรู้สึกเฉยๆจับที่ความรู้สึกขณะก้าวไปแล้วเดินเดินปกตินะไม่ต้องมาเดินย่องเดินอะไรนี้ไม่เพราะว่าเดินช้าเดินเร็วเดินย่องเดินกระโยงในบาลีมีคําพูดทั้งนั้นพุทธเจ้าห้ามพิสุเดินย่องเดินกระโยงนะ ศาสดาเคยทํามาแล้วเป็นวัดของเดลถีนะผู้เจ้าบอกว่าท่านจะเดินช้าๆโดยที่แม้หยาดแห่งน้ําสัตว์ทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกันอย่าได้ลําบากพวกเราเลยค่อยๆย่องค่อยๆย่องผู้เจ้าทําอะไรไม่สําเร็จนะนั้นผู้เจ้าจึงไม่ได้บัญญัติเรื่องการเดินยมกรมว่าจะต้องมีท่าทางอย่างนี้มืออย่างนี้ว่างใครเดินปกติโยมเคยเดินยังไงเดินอย่างนั้นเดินไป เดินเอาจิตอยู่กับกายยาส่งจิตออกไปข้างนอกนะพระเจ้าให้สํารวมจิตเปรียบเหมือนเตา่าหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดพิกสูพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองนะคืออารมณ์การภาวนาของเราคือกายของเรานะหรือเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดมาผูก ด, ด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขือนเสาหลักกันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้สุนัขสุนัขจิ้งจอกจับปลิง นะผูกกันแล้วไอสัตว์หกชนิดมันก็จะยืยุดฉุดกันไปเข้าทีเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนักขกิงจองจะไปป่าช้างลิงจะไปป่าพอมันดึงกันไปดึงกันไปในที่สุดมันก็จะหมดแรงมันก็จะมานั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักชั้นใดก็ชั้นนั้น ถ้าโยมตั้งจิตไว้ในกายยักตาสตินี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะไม่ฉุดเราไปพระองค์จึงเรียกกายยักตาสติว่าเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตต้องเอาจิตอยู่กับกายให้มากกว่าไวเข้าใจไหมนั้นโดยหลักในพระเจ้าบอกอย่างนี้หรืออุปมาอีกเปรียบเหมือนบุุษถือหม้อน้ำมันนะมีบุตคนหนึ่ง <c oughs> ได้ข่าวว่ามี ในเมืองเมืองมันมีหญิงงามกำลังขับร้องฟอนหลัม <c oughs> ขาวก็แพร่สะพัดไปชายหนุ่มทั้งหลายก็เดินทางเข้าไปดูผ <c oughs> ู้เจ้าก็บอกว่าให้ชายหนุ่มคนหนึ่งน <c oughs> ชายหนุ่มคนหนึ่ง <c oughs> รักสุขเกลียดทุกอยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็ไปดูกับเขาด้วยแต่ให้ถือหม้อน้ำมันซึ่งมีน้ำมันที่เต็มเปลี่ยมปากหม้อน <c oughs> ในขณะเดียวกันเนี่ย ก็มีบุรุษอีกคนหนึ่งเดินถือดาบตามไปข้างหลังและบอกว่าถ้าน้ํามันเนี่ยบุรุษคนที่เดินไปเนี่ยที่ถือหม้อน้ํามันทําน้ํามันหกแม้เพียงหนึ่งหยดเขาจะเอามีดดาบฟันคอให้ขาดพระศาสดา จ, จึงบอกว่าขณะที่บุรุษถือหม้อน้ํามันมาเนี่ยผ่านที่หญิงงามกําลังขับร้องฟอนลําเขาจะสนใจหญิงงามหรือสนใจหม้อน้ํามันสาวก็ตอบว่า สนใจหม้อน้ํามันแน่นอนเพราะว่าหยดเดียวตายนะอ่าพระเจ้าก็บอกฉันได้ก็ฉันนั้นพระองค์เปรียบหม้อน้ํามันที่เต็มเปลี่ยนปากหม้อนเนี่ยด้วยกายยะคตาสติเธอต้องเอาจิตตั้งอยู่กับกายจิตรู้จะกายตายทันทีเห็นนะเห็นความสําคัญไหมว่าจิตอยู่ที่กายเนี่ยสำคัญขนาดไหนพระเจ้าจะไม่ให้จิตเนี่ยเคลื่อนออกจากกายให้มากที่สุดนะ <c oughs> นั้นเดินจงกรมก็ เดินเอาจิตอยู่กับกายนั่งก็นั่งเอาจิตอยู่กับกายนะเดินก็รู้การเดินจะรู้ลมก็ได้ไม่ได้ปิดไหล่เพราะลมก็คือกายเหมือนกันไม่รู้ลมก็ไปรู้การเคลื่อนไหวนะแต่อย่าไปคิดพอคิดปั๊บรีบวางคิดปั๊บรีบวางกลับมารู้การเคลื่อนไหวต่อไปแค่นั้นนะอือฮึพระศาสดาบัญจัตอย่างนี้ สาวกจะพูดกันไปหลากหลายมากทำให้เราสับสนบ้างก็ว่าจิตอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งวิญญาณอีกอย่างหนึ่งงงกันไปหมดนะพระองค์บอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตมโนวิญญาณตัวเดียวกันสามชื่อนะอืม มโนคือใจจิตมโนวิญญาณตัวเดียวกันอย่างที่พสูตนี้นะ <c oughs> จะมีอีกชื่อชื่อว่าวิชานาติแปลว่าผู้รู้แจ้งในอารมณ์นะผู้รู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์อะไรที่วิญญาณหรือจิตหรือใจเข้าไปรู้แจ้งสี่ธาตุอารมณ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้เป็นอารมณ์ของจิตหรือวิญญาณอารมณ์ของวิญญาณหรืออารมณ์ของจิตหรืออารมณ์ของใจ ต้องใช้นิยามศัพท์ให้ถูกต้องตามที่ศาสดาบัญญัติตั้งแต่แรกไม่งั้นโยมจะงงธรรมะพอลึกเข้าไปลึกเข้าไปแล้วยมจะงงจะสับสนนะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะ ฐานอื่นๆเวทนาจิตธรรมผู้เจ้าได้พูดบ้างหรือไม่พูดนะพูดอยู่ <c oughs> ในเวทนาพระองค์ก็ให้ทิ้งสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วให้อยู่อเบิขาให้มาก <c oughs> การอยู่กับสุขเวทนาการเพลินกับสุขเวทนาเรียกว่าราคานุสัยจะนอนตาม โยมจะมีอนุสัยคือความเคยชินในสุขเวทนานั้นนะส่วนทุกเวทนาถ้าโยมมีจิตผูกกับอารมณ์ไปเรื่อยๆโยมก็จะเกิดปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆานะความเคยชินในความยินร้ายความทุกขเวทนาความไม่พอใจเรียกว่าเมาโหมกอยู่กับอารมณ์มันเป็นทุกข์เพลิดเพลินพร่ำสันเสริญอยู่กับอารมณ์มันเป็นสุขนะจิตมันก็จะแกวงอยู่อย่างนี้ ราคานุสัยปฏิคานุสัยถ้าใครวางได้จิตจะมาอยู่ตรงกลางคืออุเบกขาสร้างอุเบกขารักษาอุเบกขาให้มากให้บ่อยเป็นปกติจนเวลาสุดท้ายของชีวิตเลยแล้วปล่อยวางมันเพราะอุเบกขายังไม่ใช่วิมุตถ้าโยมปล่อยวางอุเบกขาได้พระศาสนาบอกว่าชื่อว่าเป็นการวางอวิชานุสัยได้นั่นคือ อยู่อุเบกขาให้มากแล้วเห็นโทษของอุเบกขาว่ามันก็มีความดับไปได้เป็นธรรมดานะส่วนจิตให้รู้อยู่กับผู้รู้เฉยจิตเป็นผู้รู้เฉยนะผู้เจ้าให้รู้จักจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตแล้วทำจิตตสังขารให้ลำงับอยู่กับผู้รู้นิ่งเฉยนี่เป็นการดูจิตละ หรือขณะที่จิตโยมรู้ลมหายใจถ้าโยมรู้ว่าจิตฉันกําลังรู้ลมหายใจนี่เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการรู้ลมหายใจเนี่ยเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ได้ในตัวมันเองเสร็จเลยขณะที่จิตรู้ลมหายใจใครโฟกัสไปที่ลมหายใจเป็นกายานุปัสสนาใครโฟกัสมาที่ตัวจิตว่าจิตเรากําลังรู้ลม เป็นจิตตานุปสนาใครรู้สึกเฉยๆขณะที่จิตกําลังรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเป็นเวทนานุปัสนาสติปฐานใครเห็นจิตที่กําลังรู้ลมเนี่ยแปลเปลี่ยนเดี๋ยวไปรู้นั่นเดี๋ยวไปรู้นี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนของตัวจิตเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมานุปัสนาสติปทานนะนั่นแค่รู้ลมหายใจอย่างเดียวสติปทานทั้งสี่ครบบริบูรณ์ นะในพุทธวจนะกล่าวถึงการรู้ตามจริงหรือรู้ปัจจุบันขณะบ้างหรือไม่ก็การที่รู้อยู่กับกายเนี่ยไม่ใช่ปัจจุบันหรอกเนี่ยนี่ก็ปัจจุบันนะสติอธิษฐานการงานให้มีสติอยู่กับงานที่ทำในปัจจุบัน การรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบทไม่ใช่ปัจจุบันเหรอใช่ไหมการรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ปัจจุบันเหรอเนี่ยณขณะนี้เรากําลังรู้ลมไหลเข้าไหลออกนะเนี่ยปัจจุบันทั้งนั้นนะการเข้าชาหนึ่งสองสามสี่พระศาสดาเรียกว่าวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนะนั้นถ้าใครเข้าชาหนึ่งสองสามสี่ก็ชื่อว่า อยู่ในวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขอันเป็นปัจจุบันต่ไปนะครับขอทราบเทคนิคในการปฏิบัติสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาให้ผลที่ได้ให้ผลดีครับวงเล็บตัวอย่าง <c oughs> พระศาสนาบอกว่า การเจริญสมถะเนี่ยจะละราคะได้จิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยจิตที่ฟุ้งออกไปเนี่ยเรียกว่าเธอกําลังมีความประมาทถ้าเราสามารถสําบอนสํารวมสังวรสํารวมอินทรีย์ได้เรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทนะเพราะฉะนั้นผู้ประมาทผู้ไม่ประมาทวัดกันที่ตรงนี้นะว่า คนนั้นเนี่ยสํารวมอินซีหรือเปล่าขณะที่โยมสํารวมอินซีสํารวมใจอยู่กับกายใจสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือกายเรียกสมถะนั้นเวลาโยมจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยโยมต้องใช้สมถะคือสมาธิทั้งหมดแค่โยมจะล่างหนังสือสักหน้าหนึ่งเนี่ยถ้าจิตโยมฟุ้งซ่านเนี่ยโยมล่างไม่ได้แต่ถ้าใจสงบดีๆเนี่ยล่างปั๊บ ปับปับปับปบเดี๋ยวเสร็จนะหนังสือเล่มนี้ร้อยกว่าพ ร, รอาตมาตั้งใจให้สม บ, บดีๆคิดสิบห้านาทีเสร็จล่างมาร้อยกว่าพูนะนั้นสมาธิสำคัญมากโยมนะมันจะทำให้งานสำเร็จทุกเรื่องเวลาโยมจะนั่งคิดอะไรสักเรื่องหนึ่งใจโ ย, ยมแกว่งไป่นแกว่งไปนี่น ผู้เจ้าเปรียบเหมือนน้ำที่กำลังไหลลงจากภูเขามันถูกซอกเล็กซอกน้อยทางซ้ายทางขวาแตกออกไปน้ำจะไม่มีกำลังจิตโยมจะไม่มีกำลังผู้เจ้าจึงบอกนิบอลห้าเป็นเครื่องบันทอนกำลังของจิตนะแต่ถ้าโยมละอกุศลหรือละนิบอลห้าได้ละความฟุ้งซ่านได้จิตโยมจะเป็นจิตที่มีกำลังสูงมาก เอาไปทำอะไรได้ทุกเรื่องพระเจ้าจึงอยากให้เราทั้งหลายเนี่ยฝึกจิตคนเราเนี่ยดีได้จากการฝึกจิตแก้ได้ทุกเรื่องแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องฝึกที่จิตอย่างเดียวส่วนวิปัสสนาวิปัสสนาคือปัญญาเครื่องวัดปัญญาคืออะไร ปัญญาคือการเห็นการเกิดและการดับเห็นเกิดดับมีประโยชน์อะไรเยอะมากเลยประโยชน์อย่างหนึ่งใครเห็นเกิดเนี่ยสมุทัยเกิดเรื่อยๆพระศาสดาบอกว่าอุดเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์จะหมดไปนั่นจะมีบางคนบอกว่าโอ้ตายแล้วศูนย์ไอ้พวกนี้ไม่รู้จักสังเกตการเกิด แล้วสัต์มันเกิดมาเกิดมามันเอาจิตจากไหนนะถ้าตายแล้วสูญนะใช่ไหมถ้าใครสังเกตเห็นนิโรธคือความดับนะมิจฉาทิฏฐิที่ว่าตัวตนถาวรตัวตนมีจริงจะหมดไปนี่เป็นความเห็นสุดตรงสองฝั่งที่เราจะต้องแก้สุดตรงฝั่งตัวตนเรียกอัติตา สุดโต่งฟังขาศูนเรียกนัทติตาเหมือนอาตมาถามโยมว่าแก้วใบนี้มีไหมโยมจะตอบว่าไงแก้วใบนี้มีมะมมีข้างหลังไงมีมะมมีหรือไม่มีดิมีส่วนใหญ่ตอบว่ามีถ้าตามาบอกว่าอีกแสนปีมันจะมี ม, มั้นเนี่ย อ, อีกล้านปีมีไหมเนี่ยเมืองทั้งเมืองยังหายไปหมดเลยนะแสดงว่าคำตอบโยมไม่ใช่สัจจะไม่จริงตลอดการสัจจะต้องจริงจริงจริงอดีตจริงปัจจุบัน จ, จริงอนาคตจริงนี่คือสัจจะในแบบของพระเจ้าถ้าโยมบอกว่าแก้วใบนี้ไม่มีแล้วปัจจุบันมันคืออะไรก็มันยังมีแก้วอยู่โยมก็จับได้ทุกคนจับได้ ถ้าโยงตอบไม่มีมันจะถูกในอนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันก็ไม่ใช่สัจจะอีกคำตอบที่ถูกต้องคือแก้วใบเนี้ยเป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วจะดับไปมีชั่วคราวไม่ได้มีถาวรนี่ต่างหากคือความถูกต้องนั่นมุม ง, ง่ายๆแค่นี้นะพระเจ้าจะเห็นหมดนะอืม ที่คือการเห็นเกิดและเห็นดับมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปคนนั้นจะรู้จักว่าสรรพสิ่งที่เขาเห็นเกิดเห็นดับเนี่ยมันคือไม่ใช่ตัวตนจริงคืออนัตตาเมื่อใครเข้าใจอนัตตาเห็นอนัตตาคนคนนั้นจะเกิดปัญญาขึ้นอีกว่าสิ่งที่เขาเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ตัวเขา เพราะขณะที่สิ่งนี้แตกสลายเขายังเห็นสิ่งนี้แตกอยู่เหมือนแก้วนี้แตกไปหล่นแตกโปะโยมไม่ได้แตกไปตามแก้วนี่พระเจ้าบอกว่าเธอเห็นเลกาวัดคนทำการวัดลากเอากิ่งไม้ใบ ไ, ไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นเล่เาไฟเผาไหมไม่รู้สึกเป็นพ่ออะไร สาวกบอกว่าก็นั้นมันกิ่งไม้มันมันไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าบอกนั่นนะ่ะถูกต้องทำยังไงเธอจะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไม่ใช่ของเธอเมื่อเธอเห็นสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแตกสลายเธอจะรู้เลยว่าตัวเธอกับมันเนี่ยคนละตัวกันโยมมีสุขขึ้นมาในใจโยมสังเกตสิสุขเกิดขึ้นแล้วสุขดับไป ขณะที่สุกดับไปโยมตายไปพร้อมกับสุกไหมไม่ได้ตายไปพร้อมกันเราก็รู้อยู่อ๋อสุขหมดไปแล้วก็แค่เสียดายสุขหมดไปแล้วอทุกเกิดขึ้นมาทุกหมดไปแล้วเออดีใจหมดทุกสักทีอย่างนี้อ่าแต่โยมไม่ได้ดับไปตามมันอืมเพราะนั้นใครก็ตามมาตามเห็นการเกิดการดับคนนั้นจะถอนอุปทานจากสิ่งสิ่งนั้นได้ มันจะเกิดการแยกตัวระหว่างผู้ที่สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตออกจากกันนี่คือสุดยอดมุมมองที่พระเจ้ามองได้มองออกนี่คือวิธีเข้าถึงผู้ไม่ตายผู้ที่สังเกตทุกอย่างเกิดดับไอ้ผู้เนี้ยไม่เกิดไม่ดับซึ่งพวกเราเนี่ยมีกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วนะพวกเราเนี่ย มีสภาวะที่ไม่เกิดไม่ตายเนี่ยอยู่กับตัวเป็นแต่เพียงสภาวะนั้นเนี่ยมันมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันมีตัณหาเป็นเครื่องผูกติดให้เราอยู่ในภพพู้เจ้าเรียกสภาวะธรรมอันนี้เรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกชื่อยาวหน่อยแต่เรียกอย่างอื่นไม่ได้ และผู้เดียวกันนี้เมื่อปรับพุทปฏิบัติมักมีองแปดแล้วอวิชชาจะหมดไปวิชาจะเกิดขึ้นผู้นี้จะถูกเรียกว่าวิมุตติยานัทสนะไอ้ตัวเดิมนี่แหละที่อวิชชามันหมดไปและวิชาความรู้มันเกิดขึ้นเพราะได้ฝึกมักมีองแปดจนเกิดวิชาขึ้นผู้เดิมนี่แหละก็คือวิมุตติยานัทสนะ ผู้รู้ในวิมุติก็คือได้นิพพานนั่นเองนั้นเราเพียงแค่ล้างอวิชชาความไม่รู้ให้หมดไปที่มันกําลังยึดว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาความจําเป็นเราสังขารความคิดปรุงแต่งเป็นเราวิญญาณเป็นเราอย่าไปเชื่อไม่เชื่อทําอย่างไรเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นอยู่อย่างเนี้ยทนเห็นซ้ําอยู่อย่างนี้ แค่นั้นเองนี่คือประโยชน์ของสมถะกับวิปัสสนาไปนะครับจะมีข้อปฏิบัติในความดับไม่เลือแห่งทุกข์ได้อย่างไรเมื่อยังมีสังขารและสัพเพธรมาอ น, นัตตาในความหมายของพระพุทธเจ้าหมายถึงอะไรครับ สังขารมีอยู่แต่ไม่ไปยึดมันนะเวลาพระอาหารหันต์หลุดพ้นแล้วเนี่ยไปทำลายขันห้าให้หมดไปไหมไม่ใช่ขันห้ายังมีอยู่อย่างเดิมวิญญาณยังเข้าไปทำงานกับรูปเวทนาสัญญาสังขารเหมือนเดิมเพียงแต่อุปทานความยึดว่าขันห้าเป็นเหล่าหมดไปดับอุปทานความยึดนะไม่ได้ไปทำลาย ขันห้าให้มันพังพินาศหมดไปนะขันห้าดินน้ำลมไฟยังมีเหมือนเดิมพระเจ้าเป็นพระลาหนตัสรุปปรตมิพานแล้วดินน้ำไฟลมก็ยังมีอยู่ในโลกสุขทุกข์ก็ยังมีอยู่ในโลกขันห้ายังมีอยู่ในโลกทุกอย่างเลยจิตที่หลงก็ยังหลงอยู่จิตที่หายหลงก็หลุดพ้นไป เพราะฉะนั้นความดับไม่เหลือแห่งทุกคือความดับไม่เหลือแห่งความตายมีได้อย่างไรมีได้เพราะโยมดับชาติคือการเกิดได้เหมือนกับแก้วใบนี้มันจะต้องแตกเพราะอะไรไม่ใช่เพราะใช้หลุดมือเผลอหล่นแตกไม่ใช่ แต่เป็นเพราะมันมีการเกิดเป็นแก้วมาแล้วถ้าแก้วมีการเกิดแก้วจะแตกแน่นอนถ้าคนเกิดคนตายแน่นอนมีรถก็จะมีรถพังมีตึกก็จะมีตึกพังนะสิ่งที่มีการเกิดจะมีการดับคู่ตามกันมาเลยพระเจ้าจึงบอกว่าชาติเป็นเหตุให้เกิดชะลาและมรณะนะ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 แค่นี้กฎอิทธปัจจตาทั่วทั้งโลกธาตเนี่ยตกอยู่ภายใต้กฎนี้พัฒะมีเวทนาจะมีเวทนามีตัณหาจะมีตัณหามีอุปทานจะมีถ้าตายมเห็นรูปปั๊บจะเกิดพอใจไม่พอใจขึ้นมาพอใจปั๊บจะเกิดอยากอยากปั๊บจะเกิดยึดยมไปเดินห้างก็ตรวจปฏิจจสุบาติได้ตาเห็นเสื้อปั๊บเนี่ยอืม เข้าท่านะตัวนี้สวยเสื้อมีเป็นร้อยตัวไม่ชอบมาชอบเสื้อตัวนี้อยากได้เสื้อตัวนี้เพราะอะไรเพราะชอบอยากมีเพราะว่าชอบชอบมีเพราะตาสัมผัส น, นะภาษาจึงเป็นเหตุเกิดของเวทนาเวทนาจึงเป็นเหตุให้เกิดของตัณหานะตัณหาเสร็จก็จะมีอุปทานความยึดก่อนยึดจะมีอีก้าอาการของจิตว่ามีการสแสวงหามีการได้จ่ายเงินได้ องใจรักกำหนดด้วยความพอใจสยบโมเมาจับ อ, อกจับใจตะหนีห่วงกั้นเรื่องราวเกิดจากการหวงกัน้นนั่นนี่คืออาการจิตมนุษย์ทั้งหมดที่โยมบัญญัติเองออกมาไม่ได้ทั้งที่เป็นตัวของโยมเลยแต่บัญญัติไม่ได้ผู้เจ้าบอกเลยไม่มีใครในโลกทานุนี้รู้เรื่องนี้นอกจากผู้เจ้าองค์เดียวสติสัมปชัญญะต้องเร็วมากเห็นอาการจิตที่มันไหลไปปั๊บปัป๊ปปปแล้วบัญญัติออกมาเป็นคําพูดโยมคิดว่าสาวกมีสิทธิ์บัญญัติได้ไหมเนี่ย หมดสิทธิ์ไม่มีครูบาาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่หลวงอาหลวงลงุล ง, ลงที่ไหนบัญญัติได้หรอกเยเดินตามทั้งนั้นสาวกเนี่ยแผนเดินตามยาบัญญัติอะไรใหม่เพราะนั้นพระเจ้าบอกถูกต้องตรงไปว่าสาวกเธอไม่มีสิทธิ์บัญญัติอะไรเลยนั้นอย่าคิดว่าอ้ยอุบายฉันดีนะโอ้ยุคนี้ต้องสอนเด็กอย่างนี้อะไไม่ต้องทำพระเจ้าดีที่สุดมาตรฐานนะอย่าไปเอาความเห็นตัวเอง หความเห็นหนึ่งคนต่อหนึ่งปีสองพันกว่าปีก็สองพันกว่าความเห็นเละเลยศา ส, สนาพุทธแล้วจะหยุดที่ความเห็นใครอ่ะทุกคนก็บอกอาจารย์ฉันดีหมดเนี่ยนะแล้วอาจารย์คนไหนจะหยุดได้หยุดไม่ได้หรอกยุคหน้าก็มีอาจารย์คนข้างหน้าดังอีกดังดังดังไปเรื่อยยความเห็นมันเต็มไปหมดเลยนี่แหละคือความสูญสลายของพระสัทธรรมคําสอนของพระตถาคต มันจะมีด้วยอาการอย่างนี้อาตมาถึงบอกเราต้องกลับไปหาพุทธวจนะศาสดาสอนอย่างไรพูดแค่นั้นทำแค่นั้นซื่อตรงกับพระผู้มีพระภาคเจ้านะบุคคลสามจำพวกหาได้ยากในโลกผยู้พุทธเจ้าบอกหนึ่งความเกิดเป็นพระพุทธเจ้าสองบุคคลผู้ประกาศ ธ, ธรรมะพระตถาคตสผู้มีความกระตันอยู่ เราต้องกระตันอยู่ต่อพระพุทธเจ้านั้นเรารู้ธรรมะคำสอนเนี่ยถามว่าใครเป็นคนสอนคนแรกพระพุทธเจ้านขนาดปริพาชกลทัทธิอื่นเวลาเขาพูดคำสอนพระเจ้าเขายังถามเลยว่าเอ๊เขาพูดถูกหรือเปล่าเขาไม่อยากกล่าวตูกพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำไม่จริงนะมีคนบอกว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ทําทานกับสาวกตัวเองเท่านั้นน่ะจริงหรือเปล่าเราไม่อยากกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเลยนะเราต้องกล่าวต้องการกล่าวตรงตามพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ขนาดปริพาชกนี่ก็ยังไม่อยากพูดผิดเพี้ยนจากผู้เจ้าเลยนะอ่ะก็เลยต้องถามผู้เจ้าว่าผู้เจ้าสอนอย่างนั้นจริงหรือเปล่าผู้เจ้าบอกไม่จริงพุ่งบอกว่า ผู้ใดเทเศษน้ำล้างหม้อลงในน้ำโสโครกเนี่ยด้วยต้องการให้สัตว์เล็กๆได้กินเนี่ยก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญนะฉะนั้นเลยจะทำกับมนุษย์ด้วยกันทำกับมนุษย์ยิ่งได้อันนี้สง์แต่มนุษย์ละ่ะทุกสินมีศินดีเลวมีหมดเป็นอริบุคคลนะอันนี้สง์ก็แตกต่างกันไปอื ม, อม ผู้เจ้าพูดในแง่ของการที่เทเศษน้ำล้างหมอ้อลงในน้ำโสโครแต่ใจเนี่ยหวังให้สัตว์เล็กๆเนี่ยได้กินเป็นอาหารนั่นคือทางมาแห่งบุญเมื่อเกิดทางมาแห่งบุญแล้วโยมต้องการจะอุทิศบุญกุศลหรือแผ่เมตตาโยมต้องทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์ก่อนต้องให้หยุดฟุ้งซ่านก่อนบุญโยมมีอยู่แล้วแล้วถึงจะอุทิศบุญกุศลหรือว่าแผ่เมตตาไปอย่างนี้ ต้องเตรียมจิตให้พร้อมก่อนก็คือจิตปราศจากนิวรณ์หรืออกุศลทั้งหลายที่ตัดไว้กับวาเสษฐานน่ะเพราะฉะนั้นะในข้อที่หนึ่งนี่ก็คือดับทุกได้นะแม้มีสังขารอยู่เพราะเรากำลังถอนถอนความคิดมั่นออกจากสังขารไม่ได้ไปทำลายสังขารให้มันหมดไป ในข้อที่สองสัมเพธรมมาอนัตตาในความหมายของผู้เจ้าหมายถึงอะไรก็หมายถึงทำทั้งหลายเป็นอนัตตาทำทั้งหลายนั้นคืออะไรคือทำฝ่ายสังคตะทั้งหมดทำฝ่ายสังคตะโพรมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกัมเนรเดชานเปลืดวิสัย ก็คือขันห้านั่นเองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือสัพเพ ธ, ธรรมานะอนัตตาใช้กับสิ่งที่มีการเกิดปรากฏขันทั้งห้าเนี่ยมีการเกิดปรากฏและมีการเสื่อมและมีการดับจึงไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราวผู้เจ้าตรัสเป็นร้อยๆกระสูตรบอกว่ารูปเป็นอนัตตา เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาอย่างอื่นไม่มีเป็นอนัตตามีแค่นี้ขันห้าเป็นอนัตตาอนัตตาพระองค์พูดจากอะไรพูดจากอนิจจงพูดจากทุกขงังพูดจากเป็นอนัตตาใครเห็นอนิจจงมากจะเห็นทุกขงังเรียกอนิจเจทุกขสัญญา ใครเห็นอ น, นิจจังจะเห็นทุกขังโยมเห็นก้อนน้าแข็งก้อนนึงเนี่ยละลายเรื่อยๆคือเห็นมันอ น, นิจจังเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆโยมประเมินได้ไหมว่าไอ้ก้อนน้ำแข็งเนี่ยหมดแน่นอนโยมก็ประเมินได้นั้นใครก็ตามเห็นอะไรก็ตามเสื่อมเสื่อมเสื่อมอยู่เรื่อยๆคนคนนั้นจะเห็นความดับในที่สุดทุกเคอนัตตสัญญาใครเห็น ทุกคือความดับมากๆคนนั้นจะเห็นอนัตตาะฉะนั้นโยมจิบน้ําแข็งก้อนเล็กๆขึ้นมาก้อนหนึ่งละลายหมดไปอ้าวดับหมดไปแล้วยิบมาอีกอ่าละลายดับหมดไปแล้วยิบมาอีกดับโยมรู้เลยว่าก้อนน้าแข็งก้อนน้าแข็งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงเพราะมันมีความดับเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่มีความดับ มีเสื่อมมีดับได้ธรรมชาตินั้นจะถูกเรียกว่าอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราวจะว่ามีจริงก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นสังขตะทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นอนัตตาสัพเพธรรมาทมทั้งปวงเนี่ยคือทำฝ่ายปฏิจจสุบาทั้งหมดเป็นอนัตตา ธรรมะที่มีการเกิด น, นั้นธรรมะใหญ่ๆจะมีสองฝั่งฝั่งที่มีการเกิดปรากฏและเกิดไม่ปรากฏคือวิมุตติหรือนิพพานหรืออสังคตะอืมอสังคตะคือธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้นิ่งสนิทเป็นหนึ่งเดียวอสังคตะส่วนธรรมชาติที่ปรุงแต่งได้คือสังคตะขันห้า นั้นอสังคตะเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่มีเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างปรากฏไม่มีการเสรื่อมเลื่อยๆดับมีได้ไหมมันจะเอาอะไรมาดับเพราะมันไม่เกิดนะใช่ไหมแก้วมันแตกเพราะว่ามันมีการเกิดเป็นแก้วมาแล้วมันเลยแตกใขรควรดีๆนะแตกมีได้เพราะเกิดนะคือดับเนี่ยมีได้เพราะเกิด ถ้าเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงดับมีได้ไหมผู้เจ้าถามภาโนนบ่อยๆถ้าชาติคือการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่หนอยมคิดดีๆใช่ไมกระดาษจะขาดได้ก็เพราะมันมีกระดาษมาแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีกระดาษจะมีกระดาษขาดไหมถ้าไม่มีแก้วจะมีแก้วแตกไหมมีกระดาษก็มีกระดาษขาด ถ้าไม่มีกระดาษจะเอาอะไรมาขาดนะ่ะเพราะเกิดไม่ปรากฏธรรมชาติใดก็ตามที่โผลมาแม้นิดหนึ่งหนึ่งอะตอมหนึ่งอิเล็กตรอนนิดหนึ่งอัตราตัวตนเกิดขึ้นแล้วขอให้โผลมานิดหนึ่งคือเกิดปรากฏสิ่งนั้นจะมีการดับแน่นอนแต่นิพานหรืออสังกตต ณอุปาโทปัญญาญาติไม่ปรากฏมีการเกิดเห็นนะมันเป็นความมีของสิ่งสองสิ่งความมีฝั่งนี้เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเสื่อมเรื่อยๆความมีของฝั่งฝั่งนี้เกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏและไม่มีการเสื่อมเรื่อยๆไม่ต้องพูดถึงดับในเมื่อเกิดไม่มีดับมีไม่ได้เห็นนะธรรมชาติฝั่งนี้จึงไม่มีอนัตตาเพราะอนัตตา ต้องมาจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาที่พระเจ้าตรัสเป็นร้อยประสุดนั้นคำพูดที่บอกนิพพานเป็นอนัตตามีไม่ได้เยะิะเป็นคำพูดที่สาวกแต่งขึ้นพูดขึ้นใหม่ในยุคหลังแล้วก็ใช้กันมาแบบไม่คล้ยคลวรให้ดีไปฟังอัตถกถาพูดโยงไปโยงมาจนงงไม่เอาพุทธพจนะมามา พิจารณาบอกนิพพานเป็นอัตตาก็มีนิพพานเป็นอนัตตาก็มีผิดหมดทั้งคู่เลยอัตตาก็คือต้องเกิดปรากฏแต่นิพพานเกิดไม่ปรากฏมันจะเป็นตัวอะไรมาให้เรียกว่าตัวพรุทธเจ้าจึงบอกนิพพานบัญญัติอะไรไม่ได้โยมจะบัญญัติกระดาษต้องมีกระดาษโผล่มาให้โยมเลี่ย ก, ก่อนแม้นิดหนึ่งนะจะบัญญัติอะไรก็ตามในโลกนี้ต้องมีเกิดปรากฏ เทวด า, าบัญญัติเลยบอกว่าคลองแห่งการเรียกคลองแห่งการพูดจาคลองแห่งการบัญญัติเรื่องที่ต้องรู้ด้วยปัญญามีเพราะวิญญาณกับนามลูกมันทำงานกันทำให้มีการเกิดปรากฏและมีการดับปรากฏถึงจะบัญญัติอะไรได้ส่วนนิพพานนั้นบัญญัติไม่ได้เพราะเกิดไม่มีปรากฏให้เรียกจะเรียกตัวอะไรตัวอะไรเกิดมันไม่โผล่มาให้เรียกเลยเข้าใจไหม เมื่อเกิดไม่มีเสื่อมมีไม่ได้เสื่อมไม่มีดับมีไม่ได้อนาตตาก็มีไม่ได้นียนี่เรื่อง ง, ง่ายๆเลยเรื่องง่ายแค่นี้เองนะโยนะออะไรนะอ่ฮะ ม, าานมนโนมยิทธิเหรอถูก เอาจิตไปเที่ยวแดนนิพพานมันเป็นเดี๋ยวที่โยมพูดมามันหลายกรณีเรื่องมโนมายธิมโนมายธิเป็นหนึ่งในอิทธิปาฏิหารเป็นความรู้ทางโลกที่ต้องผ่านฌานที่สี่ไม่เกี่ยวกับนิพพานไม่เกี่ยวกับอริยสัจสีนะหรือสีโยคีดาบทก็ทำได้แต่หลุดพ้นไม่ได้พ้นนรกไม่ได้เป็นอริยบุคคลไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับอริยะ โสดาบันสกิทาคามีนาคามีพระลัทธ์ไม่เกี่ยวกันเลยเป็นเรื่องอิทธิปาฏิหารเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นอิทธิปาฏิหารจะมีมากมายหลายแบบมโนมยิทธิเป็นหนึ่งในนั้นส่วนการเอาจิตไปนิพพานหรือไรเป็นไปไม่ได้นิพพานไม่ใช่ที่เที่ยวของปุถุชนนะโสดาสกิทาคารีนาคายังไปไม่ได้เลยปุถุชนจะไปเที่ยวกันจอยจอยจอยมันไม่ใช่ แล้วไปเที่ยวแล้วยกถามก็สิลองบรรยายสภาพนิพพานมาสิถ้าเขาบรรยายได้ก็ผิดทันทีเพราะนิพพานจะบรรยายไม่ได้เพราะว่าอะไรพอพระเจ้าบอกนิพพานไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งา ม, ไ ม, งามไม่มีพระเจ้าบอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุด แต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีของแข็งของเหลวก๊าซพลังงานในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามเนี่ยพวกนี้ไม่มีถ้าโยมบอกอนิพานสวยสวยมีความงามไม่ใช่ล้วนั้นโยมเห็นอากาศว่างๆเนี่ย ง, ง, งามไหมมันงามยังไงนะมันงามมันงามไม่งามก็มีบอกไม่ได้ไม่รู้มันเป็นไรอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้ เข้าใจไหมบัญญัติพระาศาสดามีหมดเยอะมากที่บัญญัติเกี่ยวเรื่องนิพพานเป็นการแก้มิจฉาทิฐิแบบต่างๆที่สาวกทุกวันนี้ไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะการบอกสอนพระาศาสดาบอกว่าจะบอกสอนพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวนี่คือปัญหาของาศาสนาพุทธปัจจุบันนี่แหละจึงเป็นเหตุให้ต้องกลับมา าพุทธวจนะซึ่งปัญหาตรงนี้รชัชกาลที่ห้าเนี่ยเคยเขียนไว้แล้วนี่อธิบรีกรมอายการสมัยรชัชกาลที่ห้ารวบรวมมาไว้นะอห้าบอกแล้วตั้งแต่แรกแล้วว่าพระสงฆ์ซึ่งประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาต่างคนต่างประพฤติตามลำพังของตน คนที่ชั่วมากกว่าดีก็มีอยู่เป็นธรรมดาก็ชักพาให้พระปริยัติธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวิปริตผิดเพี้ยนไปตามอัธยาศัยเห็นนะเป็นตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วท่านถึงให้พระที่มีความรู้ความสามารถตอนนั้นช่วยกันแปลจากอักษรขอมาเป็นอักษรสยามนะนั้นจึงขอประชุมพระที่วัดพระแก้วเนี่ยจนวนหนึ่งรยลูก ท่านบอกอย่างนี้ขอชี้แจงเพิ่มเติมแต่พระเถรานุเถระและพระสงฆ์ทั้งปวงซึ่งได้ประชุมกันในที่นี้อีกหน่อยหนึ่งว่าการซึ่งมีความประสงค์จะให้ตรวจสอบพระทวิดกลงพิมพ์ไว้ในครั้งนี้นั้นด้วยเห็นว่าแต่ก่อนมาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนายังมีอำนาจปกครองบ้านเมืองโดยลำพังตัว พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้ทํานุบำรุงอุดหนุนการศาสนาอยู่หลายประเทศด้วยกันคือเมืองลังกาเมืองพมา่าเมืองลาวเมืองขเขมรแลลกลุงสยามเมื่อเกิดวิบัติอันตรายพระทาบิโดกขาดศูนย์บกพร่องไปในเมืองใดก็ได้อาศัย <c oughs> หยิบยืมกันมาคัดลอกคงฉบับ บ, บริบูรณ์ถ่ายกันไปมาได้เหมือนรัชกาลที่หนึ่งซึ่งไปยืมพระธาบิโดกจากประเทศลาวและรามันมา คัดลอกไว้เป็นต้นฉบับของประเทศไทยที่ตกมาถึงหลอหซึ่งนำมาแปลเป็นอักษรสยามนะเพราะรลอหนึ่งให้พระช่วยกันคัดลอกเป็นอักษรขอมนะอ่าแล้วมาแปลอีกรอบหนึ่งแต่ในการทุกวันนี้ประเทศลังกาแลพะพม่าตกอยู่ในอานาจของอังกฤษผู้ปกครองรักษาบ้านเมืองไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาก็ทานุบํารุงแต่อนาประชาราชไพ่บ้านคนเมือง หาได้อุดหนุนการพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งอย่างใดไม่พระสงฆ์ซึ่งปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาต่างคนต่างประพฤติตามลำพังของตนคนที่ชั่วมากกว่าดีก็มีอยู่เป็นธรรมดาก็ชักพาให้พระปริยติธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวิลิตรปิดเพี้ยนไปตามอัธยาศัยส่วนเมืองกขมรนั้นเล่าก็ตกอยู่ในอำนาจของฝรั่งเศสไม่มีกำลังที่อุดหนุนพระพุทธศาสนาให้เป็นการมั่นคงถาวรไปได้ ส่วนเมืองลราอยู่ในพระราชาอาณาเขตเจ้านายแห ล, ล่ไพร่บ้านพลเมืองก็นับถือพระพุทธศาสนาวิปริตแปรปวนไปด้วยเจือปนผีสางเทวดาจะเอาเป็นหลักฐานมั่นคงก็ไม่ได้ทั้งพระทั้งคารวะมั่วกันหมดเลยใช่ไหมถ้าพระตาบิดกวิปริตคลาดเคลื่อนไปในเวลานี้จะหาที่สอบสวนคัดลอกเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นไม่มีแล้ว การพระพุทธศาสนายัางจเจริญมั่นคงถาวร อ, อยู่ได้แต่ในประเทศสยามนี้ประเทศเดียวจึงเป็นเวลาสมควรที่จะสอบสวนพระตบิดกให้ถูกต้องบริบูรณ์แล้วสร้างขึ้นไว้ให้มากฉบับแพร่หลายจะได้เป็นหลักฐานเชื้อสายของาศาสนธรรมคำสั่งสอนแห่งพระพุทธเจ้าสืบไปในภายหน้าแล้วปฏิบัติตามที่ได้รับผลมากน้อยตามประสงค์ เพื่อปฏิบัติตามสืบไปในภายหน้าเป็นแท้จึงเป็นธรรมที่ควรสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ชนในภายหน้าท่านคิดเผื่อประชาชนในยุคหน้านะทุกๆคนเพราะนั้นเรารูพ้พุทธศาสนากันได้เนี่ยเพราะราชการที่ห้านะถ้าไม่แปลมาเป็นอักษรสยามเราก็คงไม่รู้เนื้อหาของศาสนาพุทธ เพราะฉะนั้นจึงขออารัธนาพระเถรานุเถระและพระสงฆ์ทั้งปวงให้ปร่งใจเห็นแก่พระพุทธศาสนาและมีความเมตตากรุณาแก่ชนทั้งปวงช่วยชำระสอบสวนพระตบิโดกให้ถูกต้องบริบูรณ์เป็นเครื่องเกื้อกูลแก่ความตั้งมั่นของคําสอนแห่งพระพุทธเจ้าสืบไปในภายหน้านับว่าเป็นการกองกุศลอันใหญ่เป็นไปในทางที่ชอบธรรมขอให้พระเถรานุเถระและพระสงฆ์ทั้งปวงจงเห็นแก่ตัวหม่อมฉัน ผู้มีความเลื่อมใสอันสุดจริตตั้งใจขอให้พระสงฆ์แลพระเถรานุเถร่าทั้งปวงจงสมัครสโมสรพร้อมเพรียงกันแบ่งปันหมวดหมู่เป็นหน้าที่ตรวจสอบพระตบิดกให้ทั่วถึงโดยละเอียดแล้วจะได้ลงพิมพ์ไว้ให้สืบอายุพระพุทธศาสนาถาวรไปในภายหน้าด้วยความมุ่งหมายเห็นแต่พระพุทธศาสนาแลตัวหม่อมฉันดังได้ขอรัฐนามานี้เทินเห็นนะ ปัญหาพุทธศาสนามันมีมานานแล้วและทุกคนเน็ตกําลังช่วยประคับประคองศาสนาพุทธแต่เรากําลังประคับประคองผิดเห็นไหมว่าประคับประ ค, คองถูกคือต้องรักษาพระพุทธวจนะนั้นรัช ก, การที่5ได้พูดคําคําหนึ่งว่าให้ช่วยกันถนอมรักษาพระพุทธวจนะเพื่อไม่ให้เกิดความวิปริตแปรปวนผิดเพี้ยนไปนเราจึงต้องมาคุยเรื่องพุทธวจนะกัน ต้องประคองรักษาตรงนี้ณนะวันนี้เราไปปกป้องคําสาวกพระองค์นั้นพระองค์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยแนวคิดผิดตั้งแต่แรกนะเพราะคําพูดผู้เจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่พูดไม่ผิดนะพระองค์ตัดกับอคิเวสนะว่าอาคิเวสนะจําเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคําสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นนั้น จ่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในพระพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำพูดเดียวเห็นนะอย่างที่สองความสามารถของศาสดาเราบอกพิสูจทั้งหลายนับตั้งแต่ลาตรีที่ตถาคตได้ตรัสรูก้กระทั่งลาตรีที่ตถาคตได้ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคาใด ถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิน้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยคำาศาสดาสอดรับทั้งชีวิต45พันษาที่เทศสอนมาเพราะฉะนั้นสายต่างๆมีไม่ได้ในาศาสนาพุทธนะใครบัญญัติสายขึ้นมาใครเป็นคนบัญญัติอาจารย์ไหนเป็นคนบัญญัติคุณนะต้องหยุดการบัญญัติของคุณซะแล้วมาเดินตามพุทธปจนะแค่นั้นเองอาตมาถึงบอกอาตมาไม่ได้ประกาศคาสอนอาจารย์คึกฤทธินนะ อาตอมามาประกาศคำสอนพระตถาคตนะเป็นกระบอกเสียงให้ผู้เจ้าโยองใยพระสูตรให้ยอมเข้าใจไม่เข้าใจพระสูตรนี้ของผู้เจ้าหรอผู้เจ้าหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้เอาคำตอบของผู้เจ้าในพระสูตรนั้นมาตอบในพระสูตรนี้ใช้คำพระพุทธเจ้าตอบคำผู้เจ้าได้กันเองไม่ใช้ความเห็นตัวเองตอบอีกเหมือนกันนี้คือหลักการของภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ในครั้งพุทธการเขาจะทํากันอย่างนี้เขาจะไม่กล้าพูดเอง เพราะเขาจะเคารพพระพุทธเจ้าใช่ไหมนี่คือหลักการที่ถูกต้องและคําพระศาสด า, า, าเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาอย่างนี้สามความสามารถนี้ไม่มีในสาวกเลยนะนั้นสาวกเนี่ยไม่ใช่ปัญญตัติไม่ใช่ผู้บัญญัติาศาสดาผู้เดียวเป็นปัญญตัติคือบัญญัตินิรุตติคือภาษา ด้วยอนุสาสนีคำพูดที่พูดออกมาจากปากพระศาสดาจึงบอกว่าเธอทั้งหลายเนี่ยเป็นโอรสอันเกิดจากปากของตถาคตเข้าใจไหมปากพระเจ้ า, าจพูดคำพูดมาอย่างเป็นระบบคือบัญญัติด้วยนิรุติภาษาซึ่งไม่มีใครในโลกธาตทัดเทียมได้ยกตัวอย่างพระอหรหันต์พระสารีบุตรเคยพูดพลาดไ้ยมีม พระสารีบุตรเสนอพระพุทธเจ้าว่าพระที่ไปเข้ากับพระเทวทัตเนี่ยแล้วเปลี่ยนใจมาหาพระเจ้าใหม่ให้สึกให้หมดเลยแล้วบวทใหม่พระเจ้าบอกสารีบุตรเธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของปิสุเหล่านั้นเลยให้ปรับอบัตถุละใจถ้าพระสารีบุตรคำพูดหลุดจากปากเป็นอาการลิโกไม่มีใครคัดง้างได้เหมือนพระุทธเจ้าพระเจ้าจะคัดง้างได้ไหมต้องไม่ได้นี่คือยกตัวอย่าง มือขวาเป็นพระอาหารหันต์เลิศทางปัญญาเก่งที่สุดเก่งรองจาก اء, พระพุทธเจ้าพ่อพระพุทธเจ้าชมเองว่าสารีบุตรเก่งรองจากเรายัางพูดพลาดเลยอันตมาจึงบอกว่าความสามารถด้านการพูดของพระุทธเจ้าสามอย่างที่ยกขึ้นมาให้ไม่มีสาวกคนใดทําได้ศาสดาจึงบอกให้ฟังแต่คําตถาคตเท่านั้นอย่าฟังคําคนอื่นนั้นไม่ได้ดิสเครดิตลูกศิษย์ตัวเองนะแต่รู้ว่าลูกศิษย์ตัวเองมีความสามารถแค่ไหนนะ เป็นแค่ผู้เดินตามนะเวลาสอนประกาศธรรมะต้องประกาศคําตถาคตและภิกษุรูปใดประกาศคําตถาคตแล้วไปบอกว่าเป็นธรรมะของตัวเองผู้เจ้าเรียกขโมยธรรมนะเป็นมหาโจรชั้นเลอประเภทที่สองในห้าจำพวกนะฮะอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะนะนั่นให้เราเข้าใจนะช่วยกันรักษาโยมอย่าไปกลัวอย่าไปแย้งคําพระเจ้า คำพูะเจ้าคือคำตรงคำจริงนะช่วยกันศึกษาแง่มุมที่เราเห็นอย่างหนึ่งนะรัชการที่หนึ่งเนี่ยนะมีวิทยาอุตสาหามากในปีสองสามสามหนึ่งที่รัชการที่หนึ่งประชุมพระทั่วประเทศสองร้อยกว่ารูกให้ช่วยกันลอกพระต บ, บิดกนะเป็นอักษรขอมเก็บไว้ที่หอบนเทียนธรรมที่วัดพระแก้วเพื่อเป็นหลักฐานของประเทศไทย ใช้เวลาทำอยู่ห้าเดือนตลอดทุกวันห้าเดือนเนี่ยราชการที่หนึ่งไปถวายอาหารพระในเวลาเช้าสองร้อยกว่าลูกถวายน้ำปานะในตอนเย็นทำอย่างนี้วันละสองรอบทุกวันตลอดห้าเดือนโอโหโห้ไม่ธรรมดากันนะงานนี้ผู้ปกครองบ้านเมืองต้องลงมาทำเองไม่งั้นไม่สำเร็จนะและเป็นอ น, นิสง์มากด้วยนะ เพขนาดพระอนนท์เนี่ยชื่นชมพระพุทธเจ้านิดเดียวนะแล้วถูกเฝ้าทายีว่ามีประโยชน์อะไรชมพระเจ้าแค่เนี้พระนนท์ชมว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีฤทธิ์มางมีอนุภาพมากเหลือเกินเฝ้าทายีบอกว่ า, วาประโยชน์อะไรมาพูดชมอะไรพระเจ้าแล้วจะมีอ น, นิสงส์อะไรพระเจ้าเนี่ยเบกรกเฝ้าทายีต่อเลยบอกอุทายีรู้ไหมถ้าอานนท์เนี่ยยังละสังโยชน์ไม่ได้เนี่ย ด้วยอานิสงส์เท่านี้อ น, อนุนการชมพระเจ้าแค่นี้ยอนุนจะไปเกิดเป็นพระมหาจักรพรรดิเจ็ดชาติและไปเกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชอีกเจดชาติแต่ถ้าโยมช่วยกันเผยแผ่คําสอนพระตถาคตอาตมาว่าอานิสงส์จะมากกว่าที่พระนุนชมพระพุทธเจ้าอีกน ะ, ะและโยมจะจัดเป็นหนึ่งในรัตนะห้าที่หาได้ยากในโลก และเป็นหนึ่งในบุคคลสามจำพวกที่หาได้ยากในโลกคือผู้ประกาศ ธ, ธรรมะพระตถาคตนะก็เลยเล่าพระสูตรให้โยมฟังว่าพระศาสดายืนยันหลายสิทธิ์พระสูตรแลวเกินว่าคำตถาคตดีที่สุดนะแล้วอาตมาได้สังเกตว่าไม่มีที่ราชการที่หนึ่งไปถวายอาหารเพนอาหารเพนมันไม่รู้มันเริ่มมาจากยุคไหน แต่แสดงว่ามันเริ่มมายุคใกล้ๆนี้เองนะเพราะพระแต่ก่อนในครั้งพุทธกาลฉันมือเดียวนะก่อนบัญญัติพระฉันสามมือบิณทบาทสามเวลากลางค่ากลางคืนบิณฑบาทหมดพระอุทัยีเนี่ยมาบัญญัตให้พระเจ้าฝันนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยพระไม่เคยเอามาพูดไม่เคยเอาพุทธวจนะมาพูดเราก็เลยไม่ทราบพระเจ้าประชุมสงฆ์ครั้งแรกสังงดมือกลางวันพระฉันเช้ากับเย็น พระอุทายีก็บ่นอิดออดอิดออดบอกแหมเขาอุตส่าห์มาถวายทําไมผู้เจ้าไม่เห็นฉันแต่ด้วยความรักเคารพในพระพุทธเจ้าไม่ฉันก็ไม่ฉันอยู่ต่อมาผู้เจ้าบรรประชุมสงฆ์อีกสั่งงดมื้อเย็นเหลือเช้ามื้อเดียวพระอุทายียิ่งบ่นใหญ่เลยนะบอกเนี่ยเขาเก็บอาหารไว้มื้อเย็นเนี่ยมัน อ, อร่อยนะอาหารเวลาตอนเย็นไม่ให้ฉันซะและ้วด้วยความรักเคารพไม่ฉันก็ไม่ฉัน นั้นเหลือมือชา้ามือเดียวมาตั้งแต่ครั้งบูชการแล้วอืมนั้นมือเพนมือสองนี่ไม่มีแถมยังมีพระสูตรอีกหกพระสูตรนะที่ยืนยันว่าพระถ้าฉันมือสองจะถูกปรับอบัติปาจิตตีนะบอกว่าอันหนึ่งภิกษุใดฉันเสร็จห้ามเสียแล้วเคี้ยก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเเคี้ยก็ดีของฉันก็ดีอันมิใช่เด่นเป็นปาจิตตี นั้นพระจะฉันมื้อสองได้ก็ต่อเมื่ออาหารนั้นเป็นอาหารเป็นเดนคือเหลือจากภิกษุป่วยไขย้หรือภิกษุปกติฉันเหลือนะ <c oughs> นี่ก็ขึ้นวินยัยนี่เป็นวินัยในปาติโมกซึ่งพระทุกองค์จะบอกไม่ทราบไม่ได้เพราะต้องฟังทุกึ่งเดือนถ้าอยู่สี่ลูปขึ้นไปแล้วพูะเจ้าบอกว่าถ้าเธอฟังปาติโมกสองถึงสามคราวมาแล้วจะบอกว่าไม่ทราบไม่ได้ นะเหมือนกฎหมายเราบอกไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะ้าก็เลยสังเกตว่าเอ๊ะร .1 ไม่มีไปถวายเพลเลยสักวันเดียวไม่มีการบันทึกไปมีแต่ถวายอาหารเช้าและตกเย็นก็ถวาย น, าน้ำปานะไม่หลุดมาสักวันเลยเหรอในห้าเดือนเนี่ยว่าืรัชกาลที่หนึ่งมีเดือนที่สองไปถวายอาหารเพลเจอมัอ้ยนี่เราศึกษาแค่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใกล้ๆเราเนี่ยนะแค่รัชกาลที่หนึ่งอืม เราก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วว่าอ๋อไอ้ฉันมือสองเพลงนี่มันน่าจะเริ่มมาใ ก, ใกล้ๆนี่เองระหว่างรอหนึ่งมามารอเก้านี่แหละนะนีะ่ก็เข้าใจนะสัพเพธมานตตาเนี่ยเป็นเรื่องของขันห้านะเพราะนั้นขันห้ามันจะมีความเสื่อมอนิจัง ทุกขังก็คือมันหายไปเปื่อยหยิบไปมาถูไปถูมาเปื่อยละลายหายไปเลยหากระดาษไม่มีละเพราะะฉนั้นกระดาษมีชั่วคราวสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเสื่อมไปและดับหายไปอนัตตากระดาษแผ่นนี้เป็นอนัตตาและเมื่อเห็นว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นอนัตตาผู้สังเกตสิ่งสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นตัวเดียวกับสิ่งสิ่งนี้ ภาษาบาลีจะเรียกว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณนะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่โยมคิดดูสิสามคำเนี้ยโยมไม่ค่อยเคยได้ยินเห็นไหมเหมือนภูมิความรู้เราสุดแค่อนัตตาเอาอนัตตากระดาษเป็นอนัตตาแล้วยังไงอะยังไงต่อยมต่อไม่ได้จริงๆมันมีต่อ เมื่อเห็นสิ่งใดเป็นอนัตตาแล้วคนคนนั้นเนี่ยจะต้องเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่จบตรงนี้ถึงจะจบจริงๆนะซึ่งพระสูตรเหล่านี้มีจมํานวนเยอะมากแต่พระไม่เคยนำมาสอนโยมเลยโยมก็เลยไม่รู้จักคำว่าเนตังมมะเนโซมาสมินาไมโสตตาสามคำนี้สำคัญมากเลยโยมซึ่งเป็นปัญญาที่จะเกิดหลังจากเห็นอนัตตาแล้ว คำถามต่อไปเนาะออสองข้อถัดไปคล้ายกันนะครับเลยเฉพาดรุดเดียวเลยถา่ว่าพบชาติคืออะไรสร้างพบสร้างชาติคืออะไรและอีกข้อถามว่าขยายความคําว่าพบและทําอย่างไรไม่ให้เกิดครับพบกับชาติคืออะไร สองคำนี้ชาวพุทธรู้จักน้อยมากพระเองก็รู้จักน้อยมากนะเมื่อไม่เข้าใจคำว่าพบกับชาตินะก็จะไม่เข้าใจว่าเล่าไปละนันทิ่ทรอะไรละความเพลินแหนรมทรรอะไรนะนั้นเวลาที่โยมเนี่ยนะจิตของโยมเข้าไปสู่อารมณ์เนี่ยนะ มันกำลังเข้าไปสร้างภพนั่นเองพระศาสดาเปรียบอย่างนี้เปรียบบอกภพเนี่ยเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาแล้วงอกขึ้นมาการงอกขึ้นมาเนี่ยเรียกชาติการที่มันเข้าไปตั้งอาศัยในผืนนาเรียกภพภพคือสถานที่ตั้งอาศัยที่จะเตรียมเกิด เตรียมงอกเป็นต้นขึ้นมาเห็นไหมผู้เจ้าแยกชัดเจนมากนะจิตรับรู้อารมณ์ปับ๊บอั น, นิี้พบรู้อารมณ์ต่อเรียกชาติจบด้วยชลามมนะดับเห็นนะรับรู้อารมณ์ใหม่ปับ๊บสร้างพบรู้ต่อไปชาติจบด้วยชลามมนะดับรับรู้อารมณ์ใหม่อีกพบเกิดรู้ต่อไปชาติ จบด้วยชะลาหมอนนะนี่คือสังสารวัตวงจรของจิตเป็นอย่างนี้นั้นผู้เจ้าจึงให้เราละภพให้ไวที่สุดจิตรับรู้ว่ราปั๊บเนี่ยมันกําลังจะตามมาด้วยชาติชะลาหมอนนะความตายเรากําลังมาแก้ปัญหาว่าทํำยังไงจะไม่ตายความตายเกิดจากเหตุคือชาติและภพต้องดับภพบดับชาติให้ไวที่สุด นั้นจิตยมไปรู้อารมณ์ใดปั๊บผู้เจ้าจึงบอกทิ้งเลยทันทีใครทิ้งไวดุดกระพิบตาพระองค์ชมว่าเธ erm อมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศชีวิตเกิดมานานมากใช่ก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าอาดีตล่วงไปแล้วนะ ผู้เจ้าให้อยู่ที่ปัจจุบันแก้ความทุกข์ได้จากปัจจุบันอนาคตไม่ต้องกังวลอดีไม่ต้องกังวลอยู่กับปัจจุบันหลุดพ้นได้ในปัจจุบันนะแค่ปัจจุบันไม่เพลินละความเพลินได้หลุดพ้นได้แล้วเพราะนั้นโยมจะรู้จักเหตุผลของการละความเพลินผู้เจ้าจึงบอกว่าพบคือการเข้าไปรับรู้เนี่ย การเข้าไปตั้งอาศัยของจิตในนามรูปเนี่ยแม้ชั่วขณะลัดนิ้วมือเดียวนิดเดียวค็นั่นเองก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดอุจลละปัสสาวะที่เปื้อนตัวเราต้องรีบล้างรีบเช็ดออกให้หมดไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ไม่มีคุณประโยชน์อะไรเลยที่จะพูดได้นี่แหละการละนันทิรับรู้ปั๊บรีบวางเลยรับรู้ปั๊บรีบวางผู้เจ้าจึงบอกอานอนท์ อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิสูจน์นั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพิบตาของคนอุเบขายังคงเหลืออยู่นี่เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเห็นนะอาตมายืนยันโดยคำพระศาสดาตลอดว่าหลักการที่ให้โยมทาเนี่ยทิ้งอารมณ์เนี่ยถูกต้องนะศา ส, สดาพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้จริงๆนะ อไม่เอาคำอาจารย์คนไหนมายืนยันทั้งนั้นเอาคำพระผ้เจ้าเลยนั้นใครจะมาแย้งหลักการนี้ไม่ได้ใครไม่ทำตามหลักการนี้คนคนนั้นต้องเปลี่ยนไม่ใช่ให้พผู้เจ้าพูดมาสองพันกว่าปีมาเปลี่ยนนะอะ่อย่างนี้นั้นจะมีหลักการสอนมากมายที่ให้ไหลาตามอารมณ์ไปนะไหลาตามไปสัญโยคะจิตผูกกับอารมณ์แล้วนะนั้นจิตยิ่งไหลาตามอารมณ์นาน เปรียบเหมือนไฟที่ไม่เสื้อผ้าลุกพงนานนะผู้เจ้าเปรียบไว้อุมาเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเปรียบเหมือนกระพริบตาอีกพระสูตรหนึ่งจะเปรียบเหมือนบุรุษดีดนิ้วปับ๊บอารมณ์ต้องหายอีกพระสูตรหนึ่งจะเปรียบเหมือนหยดน้ําหยดในกระทะร้อนๆฟับต้องหายไปเห็นไหมโยมจะเห็นว่าคําศาสนาเนี่ยสอดรับสอดรับสอดรับสอดรับกันหมดเลยไม่ใช่ว่าพระสูตรนี้บอกให้ทิ้งให้เร็วพระสูตรนี้บอกให้ช้าๆก็ได้นี่ไม่มี พบกับชาติสำคัญมากถ้าโยมไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยโยมก็จะไม่เข้าใจเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าต้องสอนอย่างนี้จะมองเหตุผลไม่ออกนะโยมลองไปหาคำสอนของสาวกแทบทุกคนเลยถ้าไม่ใช้อุปมาตรงนี้ของพระเจ้าจะแยกพบกับชาติไม่ออก สาวกจะพูดเรื่องภพชาติคลุมเครือมากนะเพราะอุปมายากมากนะนั้นผู้เจ้าอุปมารตรงนี้ชัดเจนมากและอุปมาของผู้เจ้าเนี่ยยังสอดรับกันพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนามันงอกด้วยอะไรอยงอกด้วยน้ำคือนั น, น, น, นทิราคะเพลินและพอใจเนี่ยคือตัวน้ำ นั้นพอจิตยอมรู้ลมหายใจหรือรู้อารมณ์ใดไปรู้ปับ๊บแล้วยอมก็เพลินต่อไปนี่เรียกว่าชาติเกิดแล้วมันจเจริญ ง, งอกงามไพยบูรณ์แล้ววิญญาณไหลตามารมไปแล้วก็จะจบด้วยชลามมนะตายดับนับรู้ใหม่พบเกิดรู้ต่อไปชาติจบด้วยชลามมนะนี่สังสารวัตวงจรของจิตเป็นอย่างนี้ อยู่ที่ว่าโยมยังไม่ตายโยมยังไม่ตายมันก็เป็นแค่ความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคิดเกิดขึ้นดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยแต่ถ้าโยมกำลังคิดเรื่องใดก็ตามแล้วโยมตายไปในขณนะนั้นตรงเนี้ยอัตภาพต่อไปของโยมจะเป็นตัวนี้เห็นนไหมซึ่งพระุทธเจ้าบอกเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอาบุญก็ดีโยมจะได้อัตภาพตามนั้น พระองค์จึงบอกว่าเมื่อจิตคิดอกุศลขึ้นมาแล้วต้องรีบทิ้งให้ไหวที่สุดเพราะนั่นคือโยมกำลังได้อัาภาพอันเป็นอบายแล้วนั่นคือโยมเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะไปโกรธใครหรือไม่พอใจใครโยมไม่พอใจหมูหมากาไกา่มนุษย์สัตว์เทวดาอะไรก็ตามโยมกำลังได้พบอันเป็นอบายนะหน้าที่ทุกคนจึงต้องทิ้งให้ไหวที่สุด พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกว่าเมื่ออกุศลธรรมอันเป็นบาปเกิดขึ้นแล้วในใจเนี่ยเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุสาหะความพยายามอุโสลหีความเพียรอย่างแรงกล้าอ ป, ปะติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อละอกุศลนั่นเสียโดยด่วนเห็นไหมไม่มีอย่างอื่นโยมต้องรีบละโดยด่วนเลย จิตครั้งสุดท้ายใช่จริงๆคนที่ไปเนี่ยไม่ใช่จิตแต่คนที่ไปท่องเที่ยวในสังสารวัตรคือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมันมีสภาวะธรรมอันหนึ่งที่มีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันทำให้ยึบวิญญาณเป็นตัวมันยึดจิตเป็นตัวมันจิตมโนวิญญาณไม่ได้ท่องเที่ยวไป สาติ์เกวตตบุตรบอกว่าวิญญาณท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏผู้เจ้าเรียกมาสอบสวนบอกว่าสาติเราเคยสอนคำนี้แก่เธอที่ไหนเมื่อไหร่สาติตอบไม่ได้สั่งประชุมสงฆ์ทั้งหมดมีพระรูปใดเคยได้ยินว่าตาาคตสอนว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดไม่มีเห็นนะชาวพุทธเราเข้าใจผิดจากศาสดาเราเองมากเลย และยังเรียกสาติว่าเป็นโมคะบุรุษบุรุษผู้ว่างเปล่าจะไล่ออกจากพิสุ์ด้วยซ้ำนะเพราะนั้นคนที่ท่องเที่ยวในสังสารวัตเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกา้านมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะส่วนวิญญาณขันนั้นเกิดดับตลอดเวลาพระเจ้าบอกสติเราสอนว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมาก เว้นจากเหตุปัจจัยแล้วคือรูปนามเนี่ยวิญญาณไม่อาจเกิดขึ้นได้เห็นนะนั้นเวลาวิญญาณเนี่ยเคลื่อนจากอารมณ์นี้ไปสู่อารมณ์นี้เหมือนกับว่าโยมรู้ลมหายใจเขาออกแล้วหลุดไปคิดอย่างเนี้ยนะไม่ใช่วิญญาณเนี่ยมันวิ่งจุดุดชุดชุดุ ด, ด, ดไปหาอันนี้วิ่งปุ๊บปุ๊บป๊ปุ๊บปุ๊ บ, ป บ, ปบไปหาลมนี้วิ่งไปหาลมนี้ไม่ใช่นะคิดผิดถ้าความเป็นจริงเป็นอย่างที่โยอมคิด วิญญาณก็เป็นนิจจังสิวิญญาณก็ถาวรไม่ดับแล้ววิญญาณดับเมื่อไหร่ล่ะแต่ความจริงนั้นเวลาที่วิญญาณเคลื่อนจากกายไปสู่อารมณ์อื่นวิญญาณดวงที่เคลื่อนที่เกาะ อ, อยู่ที่กายจะดับไปก่อนวิญญาณดวงใหม่จะเกิดแต่มันเร็วมากจึงทำให้โยมเห็นว่ามันมีการมาการไปอย่างรวดเรว็วก็เลยนึกว่าไอ้ตัวนี้มันวิ่งไปหาตรงนี้ไอ้นี่วิ่งไปหาตรงนี้ ท, ท, ทั้งๆที่ เวลามันเคลื่อนไปมันจะมีตายและมีเกิดเหมือนกับแผงไฟโฆษณาที่ยมเห็นไฟวิง่งจริงๆไฟไม่ได้วิง่งใช่ไหมไฟดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดั บ, ดดบอะไรนะเป็นจิตไม่ใช่จิตของจิตจิตจิตก็คือจิตดวงใหม่ก็คือจิตดวงที่ดับไปก็คือจิตดับ วิญญาณมีเต็มโลกธาตุมากมายมหาศาลพระเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนเม็ดฝนฝนตกในมหาสมุทรยมนับเม็ดฝนไหวไหมไม่ไหวนับวิญญาณไม่ไหวเหมือนกันมากมายมหาศาลยิบเต็มไปหมดเลยก็ดับก็ดับก็ดับก็ดับความรวดเร็วในการเกิดดับพระเจ้าบอกยากที่จะหาอุปมาด้วยซ้ำยากมากนะขนาดพระเจ้ายัางมองว่ายากเลยนะ แสดงว่าโอ้โหวิญญาณมันเกิดดับที่ยิบเต็ไมไปหมดเลย ใ, บบใช่ใช่ทุกขณะแห่งการคิดหรือการรับรู้ขึ้นมาเนี่ยนั่นคือวิญญาณเกิดแหละและเมื่อการรับรู้นั้นดับไปนั่นคือวิญญาณดับเห็นไหมนั้นวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาเลยแล้วคนละดวงกันด้วยไม่เกี่ยวกันนั้นไม่มีโยมเก็บอารมณ์นี้เอาไว้อารมณ์นี้ถูกเก็บเอาไว้ไม่มี นะบางคนบอกว่าโอ้อารมณ์นี้มันนอนเนื่องในสันดานนะเนี่ยเธอเก็บอารมณ์ไว้แล้วไม่มีโกรธมาปั๊บเนี่ยแล้วโยมกลับมาลุา้นลมใจวิญญาณดวงนั้นดับไปแล้ววิญญาณดวงใหม่เกิดแต่ถ้าโยมไปรู้การโกรธอารมณ์เดิมอีกนั่นก็คือวิญญาณดวงใหม่แต่ไปเกาะ อ, อารมณ์เดิมเพราะเรายังมีอุปทานมันเลยไปที่เดิมนะหน้าที่เราก็คือละนันทิ แต่ไม่ใช่วิญญาณดวงเดิ ม, ดมนะให้เข้าใจจะได้ถูกต้องตรงตามพระศาสดาเราบัญญัติและโยมจะเห็นช่องทางในการหลุดพ้นได้ไม่งั้นเวลาธรรมะชันลึกเนี่ยมันไม่มีคำเรียกแล้วมันหมดโยมจะเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ไม่ได้โยมจะงงเอ๊ะตกลงมันอะไรมันวิญญาณมันจิตมันอะไรงงอยู่อย่างเนี้ยนะอาตมาเห็นพระงงหลายองค์ นแค่พระสูตรเนี่ยพระเนี่ไปนั่งถกกันงงไม่รู้เรื่องกั น, นเอ๊ะทาไมอ่ะสติก็พูดถูกนี่วิญญาณเปลียนไหวาตายเกิดนเงพระก็ยังคิดอย่างนี้นถูกต้องเพราะวิญญาณเมื่อมีการเกิดก็จะมีการดับแน่นอนวิญญาณไม่ถาวรไม่ใช่ทองถาวรวิญญาณเกิดดับตลอด ใครสงสัยต่อเนื่องตรงนี้ไหมเช่นรูปเนี่ยมันแต่สลายเมื่อร้อยปี่ยมันก็คือรูปเดิมแต่น้ำอะ่ะมันเปลี่ยนตลอดเนะี่ยอืม เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแต่มันยังไม่พังมันยังไม่พังเหมือนแก้วเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอนูนนะโยมน่ะใช่ไหมถ้ามันล้าวเนี่ยมันเปลี่ยนบินมันเปลี่ยนแต่มันไม่แตกนะใช่ไหมโยมฟันหักนะ่งตายยังไนงะยังไม่ตายอืยังไม่ดาบวิญญาณเกิดดับตลอดแล้วจริงๆริงไง จะพูดว่ารูปตายอยู่ตลอดเวลาก็ได้เพราะวิญญาณเนี่ยออกจากกายไปอยู่กับ น, นามธรรมอีกสามตัวอยู่ตลอดเลยนะอ่าเพราะนั้นขณะที่วิ ญ, ญญาณออกจากกายไปผู้เจ้าจึงเปรียบเหมือนเพชฌฆ่ามันฟันคอรเราขาดนะไงจริงๆเราตายไปแล้วถ้าวิ ญ, ญญาณไม่กลับมาเราตายซึ่งผู้เจ้าจะยกตัวอย่างตรงนี้กับผ้านนถึง เด็กทาลกที่เกิดในคันมารดาบอกอานน์ถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่คันแห่งมารดาเนี่ยนำรูปจักปรุงตัวต่อได้ไหมก็คือทาลกในคันจะปรุงตัวต่อได้ไหมพานนบอกไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องถ้านำถ้าวิญญาณก้าวลงสู่คันมารดาแล้วจักแตกสลายลงแล้วนำรูปปรุงตัวต่อได้ไหมพานน์บอกไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องนะนะอันที่สาม เมื่อวิ ญ, ญญาณก้าวลงสู่คันแหน่งมันดาจนเป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้วก็ตามแล้วเกิดแตงสลายลงนามรูปปรุงตัวต่อได้ไหมพระนลบอกไม่ได้เด็กคนนั้นจะตายนี่แหละพระเจ้าบอกนี่แหละคือเหตุปัจจัยของวิญญาณคือนามรูปเหตุปัจจัยของนามรูปคือวิญญาณอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนั้นถ้าโยมปล่อยให้จิตหลุดจากกายนานๆโยมจะตายหรือขณะที่ยังไม่ตาย โยมจะบกพร่องในขณะปัจจุบันเช่นเดินตกหลุมตกบ่อตกท่อชนเสาอย่างนี้เพราะมันเดินอยู่กับความคิดน่คิดเพลินชนเสาเปียงเข้าไปให้นะเนี่ยถ้าพูดมุมนี้ก็ได้ว่ารูปตายตลอดเวลานะ ม, มันเป็นธาตุรู้เฉยๆวิญญาณและมันไม่ใช่ชีวิต จริงๆแล้วพอโยมเห็นวิญญาณเกิดดับเรื่อยๆโยมจะรู้ว่าวิญญาณก็ไม่ต่างกับกววหินดินทรายแก้วน้ำโถน้ำอะไรอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่ใช่ชีวิตมันเป็นเพียงแค่ธาตุรู้สภาพรู้อันหนึ่งรู้แล้วก็ดับรู้แล้วก็ดับอย่างนี้เหมือนแสงกับฉากถามว่าแสงรู้อะไรไหมไม่รู้อะไร ผู้เจ้าวามาวิญญาณกับนามรูปเหมือนแสงกับฉากอีกอันหนึ่งบอกมีเรือนหลังหนึ่งทางทิศมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถ้าแสงแดดส่องมาทางทิศตะวันออกพระองค์ถามสาวกว่าแสงจะปรากฏณที่ใดสาวกบอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกผู้เจ้าบอกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกแสงปรากฏที่ดิน ผู้หญิบอกถ้าดินไม่มีละ่ะสาวกบอกแสงปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีละ่ะสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏผู้หญิบอกถูกต้องชั้นใดก็ฉันนั้นวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณโยมเห็นแสงได้เพราะฉากเห็นฉากได้เพราะแสงน่ะต่างอาศัยกันเกิดขึ้นพระสารีบุตรเปรียบเหมือนไม้สองกรรมพิงกัน ถ้าดึงไม no ulations, ้คำนี้ออกไม้คำนี profiles, ้จะล้มดึงไม้คำนี้ออกไม้คำนี้จะล้มนะมันอาศัยกันในการตั้งอยู่ได้ในการเกิดนี่เป็นการเกิดอีกระบบหนึ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นไม่ใช่การเกิดแบบว่าแม่คลอดลูกออกมาอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการอิงอาศัยกันและถ้าสิ่งหนึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งก็จะไม่มีไปด้วยถ้าวิญญาณดับนามลูกจะดับถ้านามรูปดับวิญญาณจะดับ อย่างนี้อ่มีเรื่องเดียวกันต่อเนื่องไหมนะเรื่องวิญญาณกับนามลูก <c oughs> จากเรื่องพบกระชาตินะอ่าที่เราถามมา ก็จะเป็นประเด็นตรงนี้อ่ายมคย่คยๆดูอย่างนี้อ่ะนะขันมีห้าขันใช่ไหมที่เราหลงอยู่นะมีอะไรรูปใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปใช่น้ำไหมไม่ใช่รูปคือรูปใช่ไหม มีดินน้ำไฟลมถูกต้องไหมเวทนาเป็นอะไรเป็นนามถูกต้องไหมสัญญาเป็นนามไหมสังขารเป็นนามไหมบิญญาณเป็นนามไหมเป็นรูปนามมีห้าตัวใช่ไหมเวลาเวลาไอ้ห้าตัวเนี่ยมันทํางานมันทํางานกันยังไงไอ้ตัวนี้มันเข้าไปทํางานกับสี่ตัวนี้เข้าใจมเพราะฉะ น, นั้นเวลาพระเจ้าพระเจ้าอธิบายพระเจ้าจะแยกว่าบิญยาณ เป็นคนเข้าไปทำงานกับรูปและนามอีกสามขันรูปนามจึงมีสี่มีห้าก็ได้สี่ก็ได้อยู่ที่ว่าโยมกำลังพูดเอาวิญญาณออกมาหรือเปล่าเข้าใจไหมเพราะวิญญาณเป็นคนเข้าไปทำงานใน4ขันอยู่ที่ว่าพูดมุมไห น, นนั้นรูปนามจะบอกมี5ก็ได้จะมี4ก็ได้ถ้าบอกมีสี่คือดึงวิญญาณออกมาแล้วว่าวิญญาณกาลังเข้าไปทางานกับรูปนามรูปนามจึงมีสี่ขัน เข้าใจไหและระบบทั่วโลกธาตุเนี่ยจะอธิบายต่อได้ต้องแยกวิญญาณออกมานั่นคือปฏิจจสุบาตทั้งสายเนี่ยอธิบายต่อได้ต้องแยกวิญญาณออกมาเมื่อแยกวิญญาณออกมาหนึ่งแล้วขันห้าเหลือเท่าไหร่เหลือสี่สี่ก็รูปนามเนี่ยรูปหนึ่งนามสามเห็นไหมวิญญาณเด่งออกมาแล้วตัวหนึ่งใช่นั่นเอง ต้องใคร่คนวดีๆนั่นเออ่านคำพูชธาต้องใจยเย็นๆนะเพราะละเอียดมากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพูเจ้าจึงบอกมันไม่เป็นวิสัยที่จะย่างลงง่ายแห่งความตรึกไม่ใช่นึกคิดเอาเล่นๆแล้วก็จะเข้าใจง่าย นั้นโยมก็เลยไปคิดว่าอ่านพุทธวจนะเหมือนกับพ็อกเก็ตพุกจะต้องเข้าใจหมดทุกบรรทัดไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเข้าใจแค่ไหนเอาแค่นั้นเพราะว่าคําพุทธเจ้ามันคือสัจจความจริงมันไม่ใช่หมูเหมือนกันแต่ก็ไม่ยากเกินวิสัยมนุษย์จะรู้ได้นะวิธีในการอ่านคือรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะแล้วจะได้คําตอบกันเองในพระสูตรต่ตอๆไปคําพุทธเจ้าสมบูรณ์บริบูรณ์จะมีคําตอบในการและการเสร็จในนั้น อย่างเช่นเปิดไปว่าเอ๊ผู้เจ้าให้ปล่อยวางขันห้ า, าแล้วขันห้าคืออะไรยงก็อ่านไป ái, อ่านไป ái, ายอขันห้าคือรูกไปธนาสัญญาสังการวิญญ า, ญญาอะแล้วสัญญาคืออะไรยงก็อ่านไป ái, อ่านไป ái, อ๋อสัญญาคือความจําได้หม่รู้สังการคือความปรุงแต่งนี่แหละคํำผู้เจ้าสมบูรณ์เป็นอย่างนี้เยอะเพียงแต่เราไม่รู้ว่าคําถามที่เราสงสัยเนี่ยมันไปอยู่ตรงส่วนไหนในพระไตรปิฎกในพุทธวจนะนะ ก็เลยต้องมีการสืบค้นจึงต้องมีการทำโปรแกรมเข้ามาเพื่อให้สืบค้นได้เร็วขึ้นไม่งั้นแต่ก่อนถามว่าเอ๊ยโยมถามกดน้ำมีหรือเปล่าอาตมาก็ต้องไปนั่งเปิดหนังสืออย่างเงี้ยสี่สิบห้าสิบเล่มแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกดปุ๊บวินาทีเดียวรู้แล้วนะอืมและถ้าอยู่ในไหนมันจะบอกหน้าบอกบรรทัดมาให้เสร็จเลยมีเจอกี่คำอย่างเงี้ยอ่าก็ไม่ใช่เรื่องของของ พระศาสดาเราเป็นของใครก็ไม่รู้นะอืมก็ไม่มีใครหาตัวได้ไม่รู้ใครเป็นคนบัญญัติแต่ไม่ใช่พระบุตรเจ้าแน่นอนนะคนมักจะไปโยงไนเรื่องพระเจ้าพิมพิสารหลังน้ำนะถวายแผ่นดินถวายกุฏิอะไรต่ออะไรนั่นเป็นเรื่องพระเจ้าพิมพิสารไม่ใช่เรื่องพระเจ้าบัญญัตินะและเป็นส่วนของอัตถกาถาเขาพูดกัน งั้นเวลาโยมอ่านโยมอ่านดีๆเพราะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยโยมมันมีสองส่วนโยมเวลาฟังเขาพูดว่าพระไตรปิฎกโยมอย่าคิดว่ามันถูกทั้งหมดนะส่วนหนึ่งเนี่ยในทุกๆเล่มเนี่ยมันจะมีพุทธวจนะและมีอัตถกถาอัตถกถาเนี่ยเป็นคำที่ถูกแต่งขึ้นสังเกตยังไง เวลาผู้เจ้าตัดคำพูดใดมาแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคำพูดผู้เจ้าตรงนี้ขออธิบายว่าอย่างเนี่ยเนี่ยเนไอ้เนี่ยไอ้ที่อธิบายใหม่เนี่ยเนี่ยนั่นะอจักถานั่นแหละอเพราะนั้นตกลงใครพูดก่อนสองคำนี้คนนี้พูดก่อนคือผู้เจ้าพูดก่อนและไอ้นี้มาพูดทีหลังมาอธิบายคำผู้เจ้าเพิ่มเติมไอ้เนี่ยอะไรจะไปสนใจแต่พระทุกวันนี้ดันไปสนใจในสิ่งที่ผู้เจ้าบอกอย่าสนใจ นี่นักทำตีโทรเอกไะเรียนหนึ่งถึงเ้ามานั่งเรียนในส่วนนี้กันนี่เยอมเห็นนะหนีคำผู้เจ้าหมดเลยนะนี่มันเป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะแต่ผู้เจ้าก็ทราบมาแล้วว่าในการยืดยาวนานฝ่ายนาคตจะมีพิสูจน์ไม่สนใจคำตถาคตนะส่วนพระวัดป่าวัด ป, ปฏิบัติก็บอกว่าอย่าไปอ่านนะพระเจิกเดี๋ยวเป็นหนอนหนังสือ นัน่นปฏิเสธคำศาสดาตัวเองอีกเห็นไะหอาแต่คำครูอาจารย์หรือสาวกนี่ก็เลยห่างไกลคำศาสดาตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อนยะฮะอืมอ่านั่นนะ่ะเพราะนั้นถ้าปฏิเสธตรงนี้ก็ต้องปฏิเสธบาตรจีบอนตัวเองด้วยใช่ไหมเพราะในนี้สองพันกว่าปีที่แล้วเขาพูดมาแล้ว อ่าใช่ครูเจ้าบอกว่าภิกษุมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายเห็นนะนั้นบาทจีวรที่คุณนุ่งห่มอยู่เนี่ยคุณไม่รู้หรอว่าใครบัญญัติใช่ไหมอาจารย์คุณบัญญัติเหรอไม่ใช่ตอนอาจารย์คุณบวชเมื่ออายุยี่สิบเ่ะคิดบาทคิดจีวรเองหรือไงไม่ใช่ทำตามเข้ามาทางนั้นน่ะใครทําตามมาผิดแค่นั้นเองเนี่ยนะนะอ่า เอผ้าะบทใหม่ก็เอาเงินไปใส่ย่ามกันนั่นนะ่ะสร้างประเพณีผิดผิดขึ้นอีกแล้วเห็นนะอาบัตเดยสิยิบยืนอาบัตให้พระตั้งแต่วันแรกเลยอืมอืมก็อยู่ที่พระรับหรือเปล่าถ้าพระรับก็ผิดเพราะพเจ้าบอกวิธีในการเกี่ยวข้องกับเงินไว้ ว่าให้พระเนี่ยแสดงวั ย, ยาวัจกรผู้ทากิจธุระแทนสงฆ์ในนิสสคีปาจิตีข้อที่สิบพระราชาส่งทูตมาเอาเงินมาให้ทูตบอกทูตเอาเงินนี้ไปแล้วเอาเงินไปทำจีวรให้กับพิสุนะแต่พอทูตมาถึงพิสุไอ้ทูต ด, ดันยิบเงินก้อนเนี้ยให้พิสุเลยบอกนี่ทรัพสำหรับจับจ่ายจีวร น, นำมาเฉพาะท่าน ขอท่านจงรับทรัพย์สําหรับจับจ่ายจีวรนั้นพิสูจน์นั้นต้องทํำยังไงปฏิเสธต้องบอกว่าพวกเราหาได้รับทรัพย์สําหรับจับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของคลณโดยการเห็นไหมอ่าต้องปฏิเสธพระมีหน้าที่ปฏิเสธรับเงินโดยตรงไม่ได้ถ้าเขาเฉยเราก็เฉยเขาก็อาจจะเอาเงินใส่กระเป๋าไปเลยแต่ไอ้ทุตคนนี้ เฉยไม่ได้พ่อพระราชาสั่งมาเดี๋ยวตายนะทูตก็ต้องขวนขวายแล้วเฮ้ยทำยังไงจะให้งานสําเร็จใช่ไหมก็เลยถามพระวะ่าก็ใครๆผู้เป็นวัยาวจกรของท่านมีหรือมีไหมใครที่ช่วยทำกิจธุระแทนให้ท่านได้พิสูจนต้องการชีวรไหมล่ะถ้าต้องการชีวรพึงแสดงชนผู้ทําการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นวัยาวจกรด้วยคาว่าคนนั้นแหละ เป็นวา ย, ยาวจกรของพิสุทั้งหลายเห็นไะหถ้าเขาซักไซแล่เลียงถามต่อเราชี้ได้และเวลาชี้ให้ชี้คนทาการในอารามซึ่งพู้เจ้าไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ถ้าเขาเป็นคนทำการในอารามคือเป็นคนวัดช่วยวัดอืมแต่ถ้าไม่ใช่คนทำการในอารามพระศาสดาให้ชี้เฉพาะอุบาสก ไม่ได้ให้ชี้อุบาสิกาและคําว่าอุบาสกโดยความหมายพระศาสดานั่นคือผู้มีศินห้าหรืออุโบสถ8ประการจรึงจะถูกเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาพอพราะพุทธเจ้าเคยถามว่าคุณทําอะไรที่ทําให้เธอเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือมีศินห้าหรืออุโบสถ8ปประการ จากนั้นแล้วเนี่ยทูตก็จะเอาเงินไปให้กับบบยาวัจกรแล้วก็กลับมาบอกพิสุว่าเงินนั้นเนี่ยได้ให้กับวบยาวัจกรเรียบร้อยแล้วเห็นนะอ่าท่านจงเข้าไปหาเขาจักให้ท่านคลองชีวรตามการพอพิสุต้องการชีวรแล้วอ่าถึงเวลาผ่านไปสี่ห้าเดือนทีวรขาดเปื่อยละก็อยากได้ชีวรใหม่ ก็เข้าไปทวงกับวายาวัจกรทวงได้กี่ครั้งด้วยวาจาสามครั้งทวงครั้งที่หนึ่งเขาเฉยอาจจะลืมอาทวงครั้งที่สองเาละะับปาอ้าเดี๋ยวจะทำให้แต่ไม่ทำอีกแล้วเข้าไปทวงครั้งที่สามเขาก็ยังเฉยอีกให้ทำยังไงต่อไปผู้เจ้าให้เข้าไปยืนนิ่งต่อหน้าสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเป็นอย่างมากให้เขานึกได้เองห้ามพูดไปยืนนิ่งต่อหน้าเขา ยืนนิ่งต่อหน้าเขาถึงหกครั้งเขายังเฉยอยู่ก็หมดสิทธิ์แล้วถือว่าทวงเต็มที่แล้วนะห้ามทำอะไรต่อไปจากนี้ถ้าภิกษุรูปใดพยายามให้ยิ่งขึ้นขึ้นไปกว่านั้นยังจีวร น, นั้นให้สำเร็จปรับอาบาัตภิกษุปาจิตติจีวรที่ได้มานั้นเป็นนิสกีต้องสละทิ้งเห็นไหม นี่คือการเกี่ยวข้องกับเงินทองผู้ย่าบัญญัติไว้หมดเรียบร้อยนะแล้วบัญญัติว่าเราจะเกี่ยวข้องกับวัยาวัตกรคนที่รับเงินเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องรับเหมือนเป็นไายวัดบารมีกันไปเลยใช่ไหมอ่าใช้ระบบปวารณาก็ได้ ไม่ต้องมีเงินทองแต่มีคนมาปรน า, าพระก็ไม่ต้องมีเงินก็ใช้ปรน า, าถ้าเขาปรนน่าแค่ไหนก็บอกได้แค่นั้นถ้าเขาไม่ได้ปรนน า, าก็คือบอกไม่ได้ไอ้ปรนน่าเนี่ยแค่บอกได้นะแต่ไม่ใช่ว่าได้ทุกอย่างตามที่บอกนะได้ทุกอย่างตามความสามารถของญาติโยมเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอีกว่าพระบอกอะไรไปต้องได้ตามนั้นหมดไม่ใช่ ใช่นะรับให้รับยินดีที่เขาเก็บไปให้โดนอาบัติประจิตติอีกข้อหนึ่งได้เงินมาแล้วเอาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนซื้อขายก็ถูกปรับอาบัติประจิตติแลกเปลี่ยนก็ถูกปรับอาบัติสามข้อเลยนั้นโยมไปดูนะเวลาพระเขามีการประชุมกันเยอะพอพัก1ิบนาที15นาทีเขาก็ออกมาเดินช็อปปิง้งคว้าง ก, กระเป๋าออกมาจ่ายเงินน่ะซื้อของ เดี๋ยวนี้ดูเป็นเรื่องธรรมดาแล้วพอไปบอกเขาเอา้าวใช้เงินได้ผมเป็นมหานิกายนิกายธรรมยุทธ์ไม่เกี่ยวไม่ใช่บัญญัติพระาศาสดานะาศาสดาบัญญัติเนี่ยไม่มีนิกายไม่มีสายนะบัญญัติธรรมและวินยัยที่พระทุกองค์คุณมาบวชเป็นพระคุณต้องทําตามหมดอย่างนี้อ่ <S <S เหมือนกันนะ และนิกายจริงๆไม่มีบัญญัติไม่ต้องถือใครบัญญัติก็ชั่งเข้าไปแต่พระไม่ถือบัญญัตินั้นก็จะเป็นโมฆะหมดไปโดยปริยายใช่ไหมญาติโยมไม่มีความผิดความผิดอยู่ที่พระวิตในมีให้พระรักษาเพราะพระต้องการหลุดพ้นเร็วเนี่ยใช่ไห มาบวชในธรรมวินัยเพราะต้องการเวลาว่างาาคารวะครับแคบเป็นทางมาแห่งธุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่เรามาบวชเนี่ยเพราะว่าเราเห็นโอกาสว่างพระเนี่ยเข้าถึงอาชีพขอทานผู้เจ้าบอกเลยนะบอกพระเราเนี่เข้าถึงอาชีพขอทานแต่ถ้าเธอเข้าถึงอาชีพนี้ แล้วเธอยังมากไปด้วยอภิชามีการมาลาคากล้ามีความดําหลี่แห่งใจเป็นไปในทางประทุษรลายมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะเนี่ยพระองค์นั้นจะชื่อว่าเป็นคนที่จนที่สุดในโลกทรัพย์ของขลือหัดก็ไม่ได้ทรัพย์ทางธรรมก็ไม่ได้เปรียบเหมือนรุ่นฟืนจากเชิงตะกรที่เผาศพตรงปลายก็ยังมีไฟติดอยู่ตรงกลางก็เปื้อนอุจจะนไป ใ, ใช้เป็นไม้ในป้านเดอนก็ไม่ได้ในป่าก็ไม่ได้ ผู้ช า, าบอกคนคนนี้แย่ที่สุดเลยเห็นไหมอันนั้นบวชมาแล้วต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติใช่ไม่เอาคำศาสดาพุทธวจะนะมาสอนโยมก็จะไม่ทราบความจริงเหล่านี้ไม่รู้หลักการนะไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดบางคนก็ยังบอกอู้นี่ไปทอดก็